มิซิบุลลอฮ์ الرحمن الرحيم ิ ل ح م د لله رب ลา ع ا ل م ي ن والسلام والسلام ورسول الله ا ل สวัสดีครับทุกท่านอาทิตย์ที่แล้วถ้าไม่จำไม่ผิดมาใช่อาทิตย์แล้วหรืออาทิตย์ก่อนนแล้วอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าที่ผมพูดเรื่องพึ่งอ่าใช่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วพูดเรื่องพึ่งทาไมพูดเรื่องพึงเพราะว่าผมบอกว่าวิธีการสังเกตว่ามีการติดต่อจากผู้สร้างเรามาเนี่ยให้ดูว่า เนื้อหาที่พระองค์ติดต่อเราเนี่ยเป็นของผู้สร้างจริงหรือเปล่าหรือใครนึกจะเขียนขึ้นมาเขียนมาได้นะครับดูที่ระยะเวลาที่มันถูกส่งลงมาแล้วก็ดูสถานการณ์นตอนนั้นก็จะรู้ว่าพึ่งอย่างตอนที่แล้วเนี่ยความรู้ที่ใครไม่ได้ดูก็ลองกลับไปย้อนดูนะว่าพึ่งในที่ที่ที่พระองค์พูดถึงการทํางานของพึ่งว่าเพศายทําอะไรแต่นี้อะไรเนี่ยแล้วก็ อความรู้ที่ให้จากประโยคสั้นๆเนี่ยมีแต่เพียงผู้รู้ที่ที่จะรู้ได้เมื่อพันสี่ร้อยปีที่แล้วเมื่อท่านพระองค์ส่งมาให้กับท่านในนบีมุฮัมมัสดสุลตันศาสนาทูตทางสุดท้ายอันนี้คือสิ่งที่มีหนึ่งในอีกหลายล้านอย่างที่อยู่ในกุรานนะครับซึ่งมนุษย์ค่อยๆเอค้นพบเมื่อพระองค์จะอนุญาตให้ค้นพบเมื่อเอล่าให้มนุษย์มีมันสมองมีมีที่จะคิดเทคโนโลยีหรือที่จะคิดอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อให้ค้นพบ สิ่งที่พระองค์เรีพูดเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอทิษฐานผมมีอีกอันหนึง่งอันนี้มันทําให้อิมานผมพุ่งพุ่งไปอย่างแรงมากผมจำผมเพิ่งไปนค้นพบอีกอันนึงว่าเรื่องอันนี้คราวที่แล้วเรื่องเรื่องพึ่งนะคราวนี้นอกโลกนะครับเมื่อพันสี่ร้อยปีพันสี่ร้อยสี่สิบปีสี่สิบปีก่อนเอาลับพูดในกุรานนะครับถึงเรื่อง ดาวดวงหนึ่งอันนี้อยู่ในซูร์อลที่80 s o m e t มติ g อัตตอริกคุณตาลองอ่านให้ผมฟังได้ไหมเอาภาษาไทยหรือว่าไทยภาษาไทยใช่ั้ยอ่านคำแปลเนี่ย86ใช่ได้ครับแต่ภาษาไทยอ่านให้ฟังหน่อยว่าอล้อพูดเรื่องตรงเนี้ยเป็นภาษาไทยเนี่ยแล้วก็ฟังก่อนว่าคนก็อ่านข้ามไปแต่ว่าผมผมอ่ะผมสงสัยกับสามอายาแรกของซูรอลเนี้ย กูถามไม่แค่สอายาแรกนะ3าสุดอายาแรกของซุร้อนนี้ผมสงสัยมรนานทำไมเอาล็อะถึงสาบานกับดวงดาวคนเคยถามผมเออผมเคยถามตาลผมพยายามเอ๊ะทำไมจนเราผมสงสัยแล้วเอาล็อะก็ให้ผมวันหนึ่งได้รู้ว่าทำดีลลอตเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะเออซึ่งแล้วก่อนนะอัตตอริกนี่แปดสิบเอปดสิบหกปสิบหกโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงในสามอายะแรกเนี่ย อ่ะเดี๋ยวผมอ่านเป็นภาษาไทยฟังเลยกันน ะ, ะ, ะภาษาไทยชอบชอบใช้คำว่าขอสาบานนะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะใ ช, ใช้คำว่าด้วยเลยด้วยชั้นฟ้าและดวงดาวที่มาในเวลาค่ำคืนและอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่มาในเวลาค่ำคืนนั้นคือคืออะไระคือดวงดาวที่ประกายแสง ภาษาอังกฤษใช้คำว่า piercing star piercing star เดี๋ยวผมอ่านแปลภาษาอังกฤษให้ฟังบ้างแล้วดูเทียบตอนนี้ภาษาไทยแล้วนะเผื่ อ, อคนจะรู้ว่าผมผิดแปลผิดไม่ผิดนะอัลลอฮฺบอก and by the heavens and the night comer morning star นะครับ What'sama ตอริ torik ภาษาอังกฤษนะครับด้วยชั้นฟ้าแบบว่าไม่ใช่ชั้นฟ้าบนโลกนี่นะชั้นฟ้าเนี่ยอลัลลอฮฺสร้างสุดขอบจักรวาลที่มนุษยร์รู้และมากกว่านั้นเนี่ย เพียงแคเป็นชั้นฟ้าที่หนึ่งผมก็อธิบายไปทีแล้วแล้วมีอีกเจชั้นฟ้านะครับอลองด้วยชั้นฟ้าเนี่ยแปลว่านอกโลก and the night c o m e n นี่คำว่า toric what's t h a night toric t o r i ปภาษาอัาอาอาบเป็นคำอันนึงซึ่งปแปลไหลายๆอย่างนะครับแปลว่าผู้ที่มาตอนกลางคืนซึ่งแปลว่า morning star ก็ได้ดวงดาวในตอนก็เชา้ชาตรู่นะครับอายัดที่สองบอกว่า วามารอกัสตอริกแปลว่าอะไรนะครับที่ทำให้เจ้ารู้ว่าตอริกนี่คืออะไรแปลว่าคนไม่รู้ไม่เคยได้ยินคำนี้อั ล, ล์ลอฟเป็นคน represent มันนะครับบอกว่าอะไรคือทำให้รู้ว่ามอร์นิ่งสตาร์เนี่ยหรือผู้ที่มาตอนกลางค่งคืนเนี่ยไนท์คมเมอร์เนี่ยคือคืออะไรอาร ล, ลอา์ลลถึงบอกข้อสามมันคือดวงดาวตอริกคือดวงดาวที่มีแสง piercing p i e c i n g บอกว่าอะไรทิ่มแทง ทิมแทงแล่แสงที่ทิมแทงด้วยความความคมและเร็ว brightness ด้วยความแสงสว่างจ้าเอาละพูดแค่นี้แล้วเราเปลี่ยนเรื่องเลยบอกว่าอธิที่บอกว่ า, า, วาแน่แท้วิญญาณของมนุษย์ถูกเฝ้าดูด้วยมาลัยกาดูอยู่แปลว่ามีผู้ที่คอยดูและจดบันทึกของเราอยู่เาลาละเปลี่ยนเรื่องแล้วบอกว่าฉันจะบอกให้เรื่องเรื่องอัตาริคเรื่องดาวเนี่ย ซึ่ง1ัน0ี่รอปีไม่มีใครรู้มาก่อนผมถามคุณทุกคนรู้กันลกันนะว่ารู้จักดาวที่ piercing นี่เราพอพอเรารู้คำว่า piercing เฉยๆเนี่ยมันเป็นลักษณะของดาวทั่วไปแต่อันนี้ piercing ผิดปกติไม่ใช่ดาวที่สว่างธรรมดาทิ่มทแทงแหลมโดยทั้งิ้งทิ่มแ ท, มทงตอริกในภาษาอั บ, าาบตอริกในภาษาอั บ, าาบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เ, เดี๋ยว คุณตาลเอ่อเอาเอ า, เ, อาเดี๋ยวผมส่งมาให้กันอันหนึ่งเดี๋ยวคุณคุณเอาวันนี้ขึ้นนิดหนึ่งคุณอาันนี้ขึ้นนิดหนึ่งเป็นผมจะแปลหน่อยหนึ่งอันเนี้ยในไลน์นะครับคุณดึงขึ้น่องเเป็นหน้าจอหน่อยหนึ่งได้สครูครับผมแค่แค่แค่ถึงสาอายะแรกในในสุรอ้อนนี้นะใครใครอยากจะดูตามก็เปิดไอ้อัลกุรอานอายะ ท, ที่แปดสิบเอ่อสุร้อนที่แปดสิบอายะที่อายะแรกเอ่อมันคือ บรทัดมันถึงแบบอะไรขยายภาษาไทยเนี่ยแหละวะประโยคแล้วกันอันนี้นี่นี่ผมเอาขึ้นมาละจะให้เอาขึ้นมาเลยป่ะหรือไงเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาละเอาขึ้นมาเลยโอเคคาคํำนี้อัลตอริกเนี่ยเป็นเวิร์บนะครับแปลว่า to strike แปลว่าการเคาะการตีการเคาะนะครับหรือ morning star เมื่อกี้นี้ striker นะครับแปลว่าการการเคาะเป็นหลักนะครับทีเนี้ย ใน literature เนี่ยในกุรานเนี่ยนะครับแปลว่าผู้ที่มาเคาะในเวลากลางคืนผู้ที่มาหาในเวลากลางคืนรากของศัพท์ของตอริกเนี่ยนะครับซึ่งในกุรานใช้เนี่ยเหมือนที่ผมอ่านไป used เพื่อให้หมายถึงดวงดาวที่มาตอนกลางคืนดวงดาวจะเห็นตอนกลางคืนดวงดาวพวกเนี่ยนะครับเอาละคนแปลเท่าที่แปลได้แปลได้แค่นี้นะครับอันเนี้ย ผมจะให้อ่านตรงนี้ทุกคนเห็นแล้วนะในถ้าได้ได้อ่านตามนี่ถ้าคนอ่านภาษาอังกฤษได้ก็จะเห็นนะผู้ที่มาในยามค่ำคืนและตกอมีลักษณะอะไรเคาะเคาะเราพูดแค่นี้แสงสว่างจ้าเพชรสิงบอกว่าทิมแทงแล้วก็เป็นเป็นเคาะทีเนี้ยผมเพิ่งไปดูด็อกิเมนตรีมาแล้วก็มันมีในปีหนึ่งเก้าเจ็ดสิบซันติประมาณเจ็ดสิบกว่าเนี่ย มนุษย์เพิ่งค้นพบว่ามีดาวที่มีการกระพริบที่รุนแรงและก็แสบมากไม่เหมือนกับดาวปกติเนี่ยแล้วมีการกระพริบความเร็วเนี่ยไม่เหมือนแบบดาวปกติเพอดาวปกติเนี่ยก็คือเหมือนดวงอาทิตย์อันหนึง่งเป็นดาวสว่างฮะแล้วมีโครจรมีดาวอื่นๆโครจรรอบดวงอาทิตย์พอโครจรไปเนี่ยแสงที่มันพุ่งเข้ามาในตาของคนที่อยู่บนโลกเนี่ยมันจะถูกตัด เนื่องจากมีดาวมีดาวอื่นๆ ว, ว, นวนล้อบมันก็จะมีจังหวะที่แสงมันล่เล็ดรอดเข้ามานี่คือลักษณะของเวลาเราเห็นดาวจริงๆมันไม่ได้กระพริบหรอกมันมันอ่ามันเห็นมันมีน บ, มบางอื่นตัดผ่านก็ทําให้เห็นว่าแวบวบแบบแต่ทีเนี้ยมันมีดาวหนึ่งซึ่งเขาค้นพบในปี1970กว่าๆเนี่ยบอกว่าเขาเรียกว่าเพลซาดูชื่อที่ตั้งนะที่ตั้งชื่อเพลซาเนี่ยเพราะว่าดาวพวกเนี้ยเป็นดาวที่ มีเสียงพัล s e ก็คือเหมือนเหมือนอ่ะเหมือนเส้นเส้นชีพจระพัล์เวลาเขาเช็คพ u l s e เช็คพัลส์นี่ตึกตึกซ่าเขาเรียกพัลซ่ดาวที่ม er. ีเสียงจังหวะแล้วก็แสงของมันจะแหลมแล้วก็มันมันจะมนุษย์จะเห็นน่สมมติมรนมามันจะพุ่งเข้ามาหาเราเพราะมันเห็นเฉพาะ เวลาทิศของการหาแสงที่ที่ที่มันหันมาหาเราเท่านั้นแล้วก็เวลาเราเห็นความเร็วเนี่ยมีความเร็วหลายความเร็วดาพวกเอี่ยบางคนเร็วมากมันหมุนรอบตัวเองนะอย่างช้าชนะเดี๋ยวที่ผมจะให้ดูนะรอบตัวเองนะครับหนึ่งจุดสี่ครั้งต่อ ว, วินาที <c oughs> นี่แบบช้านะมีบางอันเนี่ยร้อยเจ็ดสิบกว่าครั้งหมุนรอบตัวเองนะต่อ ว, วินาทีบางอันพันครั้งต่อ ว, วินาทีทําให้ความกดดันเนี่ย เพรสเอร์ pressure, บนนั้นน่ะมหาศาลมากเดี๋คุณตาลเปิดวิดีโอให้ผมให้ผมดูหน่อยวิดีโอที่ผมส่งไปได้ยินแล้วันเนี้ยคือเสียงของดาวพพลซาที่ตึกฟังนี่เหมือนคนเคาะได้ยินไหมได้ยินมาบอกเหมือนเด็กยามค่ำคืนคนเคาะปึก ผมขนลุกเลยและนี่คือดาวที่หมุนเร็วกว่าเดิมเคาะกระแทกขึ้นได้ยินชัดไ้ยทุกคนเริ่มใหม่ที่ตานเริ่มใหม่เริ่มใหมให่ได้กินจะจเอาให้จบก่อนปะไม่ต้องจบหรอกเพราะ ม, มันแค่นี้แหละอ่าลองให้ฟังใหม่ผมอยากให้ฟังกันแรกในในในในนี้มันเลื่อนไม่ได้ผมผมต้องเอาเข้ามาใหม่เลย ในทุกคนลองฟังดูคุณเอาออกแล้วเข้าใหม่ก็ได้ไอีิดถ้าผมฟังแล้วผมผมกลัวเลยเสียง เหมือน p พา s e เป็นเพาส์เป็นการเคาะเหมือนเคาะอันนี้คือดาวที่มันหมุนเร็วกว่าปกติแปลว่าดาวที่อันนี้อาจจะหมุนดีย3่สิบสารอบ ต, อต่อวินาที ยิ่งเร็วจะยิ่งแปลว่าหมุนรอบตัวเองเร็วเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคกันเนี่ยพอพอการโอเคเอ่อคุณเอาออกไปเลยก็ได้นะเอ่อออกไปละแค่เนี้ยเอาล้อพูดขึ้นมาในสุร้อนเนี้ยอยู่ๆบอกว่าด้วยอัลตอริกอัลตอริกข้อแรกบอกว่ามีเสียง ยามค่ำคืนเหมือนคนมาเคาะประตูซึ่งมนุษย์อนะไม่ได้ยินจากตรงนี้หรอกไม่มีใครได้ยินอันนี้ก็ต้องใช้ไมโครโฟนพิเศษมากมากนะเสียงมันเลยอูุอีหน่อยหนะึ่งคือเทคโนโลยีนี้เพิ่งได้ในศตวตรรษที่ยี่สิบเอ็ดพิ่งจะได้นะครับแล้วก็ลัดแสงมันนะ่ะมันจะเป็นเส้นผมไปดูผมไมปจอดจริงๆผมไม่ไดเอามาให้ดูเพราะมันมันเป็นวิทยาศาสตร์มากมันจะเป็นแสงออกมาสองข้าง ห, หัวกับท้ายแล้วมันจะหมุนเป็นแหลมๆฟุดๆแล้วก็ เข้ากับจังหวะที่มันหมุนของตัวดาวเนี่ยแล้วแสงมันพิษซิ่งมามันจะมันจะไม่ไม่ใช่เหมือนดาวปกติมันเขาเรียกก็เป็นนูรอนสตาร์หรือพาสตาเนี่ยซึ่งไอไอไอไอดาวเนี่ยมันมีแรงเหวี่ยงมหาศาลขนาดเนี่ยใครที่เข้าไปใกล้มันมีมีดาวอันใหญ่ขนาดจูปิเตอร์เนี่ยคือดาวพฤหัเข้าไปใกล้อันเนี้ยมันถูกไอนี่มันเหวี่ยงจนดาวขนาดจูปิเตอร์นี่คือแบบสิบสิบเท่าสิบสิบห้าเท่าของโลกเนี่ยกระจุย ค่อยๆกระจุยไปเลยนะเว้ยพังไปเลยนะทั้งอันเลยแล้วก็ถ้าไอ้ดาวไอ้ดาวเพาซ่าสองอันเนี่ยเวลามันมันเจอกันเองสมันหมุนอย่างเงี้ยหมุนหมุนหมุนบมุมมล้วอีกดอันนึงจะสันเนืงจากอันนึงมีความสูหมุนสูงกว่าเนี่ยถ้ามีขนาดใหญ่กว่าเนี่ยแล้วถ้ามันแคลชเกิดระเบิดหลังจากนั้นจะกลายเป็นอภิมหาความพิยนานก็คือหลุมดําหลุมดําเกิดจากดาวเพาซ่าสองดวงมากกว่านั้นะ ชนกันแล้วก็เกิดเป็นหลุมดําแล้วหลุมดําคืออะไรก็ไม่มีใครเข้าใจได้มันเวลาอะไรดูดดูดเข้าไปนี่หายไปเลยทีนี้เอาล็อบอกสาบันด้วยอัตาริกแล้วรู้รไหมตาริกคืออะไรอัตาลิกคือดาวที่มีเพียร์ซิงแค่ข้อมูลแค่นี้เอาแล้วแค่พูดข้อมูลแค่เนี้ให้คนที่อยากจะคิดในปัจจุบันเนี่ยในยุคสุดท้ายเนี่ยคิดว่าใครจะรู้ได้นอกจากผู้สร้างถึงดาวดวงนี้ แล้วผมสงสัยมากทาไมอลอสถึงพูดถึงอัลตอริกว่ามันจะเป็นสาเหตุของความของการสิ้นโลกหรือเปล่าด้วยซ้ำเพราะว่าไม่รู้ในซูร์รอนไหนอลอสบอกเอแล้วมันเป็นการสาบานที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากอาลอสจะสาบานทําไมถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับเราคือไม่ใช่แค่อลอสโชว์ชวให้เห็นว่าอาลอรู้ทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเรื่องพึ่งคันนี้เรื่องนอกโลกอลลอสบอกมัน ใช้คำว่าอัตโตร็กว่ามีเสียงเคาะปุ่งปุ้งปุ้ ง, งแล้วก็มีแสงที่พี้ยซิ่งผิดปกติจากอันอื่นของเราเนี้ยมองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราก็คิดได้มันดาวกระพริบ ป, ปกติเขาเพิ่งจะค้นพบได้ในปีหนึ่งเก้าเจ็สันติเองว่าไอ้ที่มันกระพริบเนี่ยเขาก็เลยไปหาอะไรฟังเพิ่งจะฟังได้ในปีทศวรรษที่ยีบเอพราะว่ายุคหลังนั้นอีกเพิ่งดู้ด้วยซ้ำว่ามีดาวกระพริบพเพราะตอนแรกดาวมันมันไม่ได้กระพริบ มันมืการตัดผ่านของดาวอีกดวงมันถึงเห็นว่ากับพิพึ่รู้ว่ากับพิพีปกติพ่อเช็กกล้องเทเลสโคปใช่ปะ่ะหลังจากนั้นเอาพอไปฟังดันมีเสียงอีกเพราะดาวอืนอ่นเนี่ยที่มันมีดาวอืนอ่นวนรอบเนี่ยไม่มีเสียงอันนี้มีเสียงในตัวเองเมื่อกี้คุณได้ทุกคนได้ยินแล้วนะตึกตึกตึ ก, ตกน่ากลัวมากผู้สร้างบอกข้อมูลให้คนที่อยากจะคิดคิดว่าใครจะรู้ได้ถ้าไม่ใช่ผู้สร้าง ผมผมแค่มันผมไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าว่ามันทำให้อีหม่านผมมหาศารมาผม yy, ผมผมคนพบตรงนี้ผมเราเรารู้ไหมเราพูดผู้เนี้ยผู้ที่บอกข้อมูลเน Señor, ี้ยผู้ที่บอกว่าผู้ไปเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่าเนี้ยบอกว่าพระองค์ดูเราอยู่เป็นประโยคต่อไปเลยเป็นอายะต่อไปเลยไม่มีชีวิตไหนอยู่โดยลําพังเว้นแต่มีผู้เฝ้าดูอยู่อัลลอฮ์ดูอยู่อัลลอฮ์ให้ มาอะไราก็ดูด้วยอัลลอฮ์ดูทุกอย่างแล้อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินแค่เราพูดถึงอัตตอริกถึงพาลซ่าสตาร์เนี่ยจะมาใกล้โลกเราก็กลัวแล้วแต่อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่ใช่เรื่องอสำหรับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ให้มันหยุดให้มันหายหรืออะไรก็ได้แต่อัลลอฮ์บอกสาบานด้วยอันนี้แปลว่ามันมีเกี่ยวข้องความหาณ่าที่จะเกิดในวันสิ้นโลกวัลลอฮ์วะรำไม่งั้นเราลอไม่ยกตัวอย่างมาหรอกนะครับแต่ว่า แน่ๆเอลอสบอกให้คนรู้ให้คนที่มีสมองคนที่เปิดใจคิดว่าใครจะไปรู้ถ้าไม่ใช่ผู้สร้างสําหรับผมแค่แคนี้เพียงพอแล้วว่าข้อมูลที่เอลอสส่งมาเนี่ยผ่านศาสนาทูตท่านสุดท้ายเนี่ยมันสมบูรณ์มันสมบูรณ์เพราะว่านี่มันไม่ได้อยู่ในในโลกนี้ไม่มีใครค้นพบได้มันอยู่นอกโลกและที่ใกล้ที่สุดที่ผมดูมาเนี่ยหนึ่งร้อย ห้าสิบห้าล้านปีแสงคงจะไม่มีใครเคยได้ไปยืนเท่านั้นแล้ว ม, มาอะไรมาอยู่แล้วนะครับฉันคือคือในกุรานเนี่ยอราลมมีการท้าทายตลอดเวลานะคือคือถ้าถ้าไม่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องพวกนี้จริงคือใครจะมากล้าทา้าตั้งแต่ ต้นกุรอ่านบอกว่าในนี้จะไม่มีอะไรที่ขัดแย้งใช่ไหมแต่แตอนเนี้ยที่คุณโตอ่านใด้ฟังเมื่อกี้ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าและดวงดาวที่มาในเวลาค่าคืนวัสมยัยวัตอริกพูดถึงคําว่าตอริกเนี่ยตั้งแต่แรกใช่ป่ะอะไรเล่าจะทําให้เจ้าได้รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรคือเราบอกได้สาำว่าเราจะรู้เองว่าสิ่งนั้นคืออะไรคือแปลว่าตอนนั้นไม่มีใครรู้อ่ะ ใช่ป่ะมันมันมันเพิ่งคือดวงดาวประกายแสงคือเราพูดไปแค่นั้นนะและ้วแล้วคือคือทิ้งไว้ให้มนุษย์ค้นพบอีกพันสองพันปีหลังจากนั้นคือคือผมเคยฟังผู้รู้คนหนึ่งบอกว่าคุรานที่ลงมาในยุคสุดท้ายเนี่ยใกล้วันสิ้นโลกเนี่ยแล้วเป็นสิ่งที่มันเหมาะกับมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยเพราะมนุษย์จจนน ย, ยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคแห่งวิทยาศาสตร์และการค้นพบเนี่ยเราจะดัก ไว้ด้วยข้อมูลที่มันแบบไปไกลเกินเป็นพันๆปีรอให้มนุษย์ค้นพบค้นพบค้นพ บ, นพบยิ่งยิ่งวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ายิ่งรู้ว่าคุรานได้บอกไว้ก่อนหน้า ไ, ไ, ไว้ก่อนหน้าไว้ก่อนหน้าตลอดเวลามันมันมันที่เขาบอกว่ากุรานเป็นความมหัศจรรย์เนี่ยที่จะเห็นได้ด้วยมนุษย์ทุกคนหน้าเวลานี้เนี่ยมันเป็นอย่างนัง้นจริงๆนะไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่า คนถามว่าไม่เห็นพระเจ้าเราจะไปเชื่อได้ไงว่ามีมนี่คือวิธีค้านที่คุณจะหาว่ามีมีปีดพุผู้สร้างหรือเปล่าพระองค์ยิ่งใหญ่เกินที่เราจะไอ้คนต่ำต้อยอย่างเราจะพยยึ่เหอฮ้ยขอดูหน่อยเรามันไอ้ชั่วคนชั่ว ย, ยงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทําไม่ง่าพระองค์ติดต่อเรามาให้ข้อมูลมาเราเคยหาไหมเราเคยหาแม้ว่าผู้ที่สร้างเราต้องการอะไรากับชีวิตเราเราหาไหมเราหาจากทุกทุกความรู้ไหมพอไปเจอกุณอ่านเนี่ยเจอข้อมูลอย่างเงี้ยพอคุณรู้ข้อมูลอย่างเงี้ย นี่คือสิ่งที่จจะบอกว่ามีผู้สร้างพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ปีก่อนผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อ Muhammad, โมฮัมหมัดสุลตัลไม่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่เคยเคลมว่ากุอาารอ่านมาจากท่านบอกว่าฉันถูกสั่งให้พูดสิ่งเหล่านี้มาสองพันสี่ร้อยกว่าปีผ่านไปเราเพิ่งถึงรู้ว่าวลาบอกอัลตอริกรู้มื่อัตอริคคืออะไรเราเพิ่งจะมารู้เมื่อ1 9 7่งเก้าเจ็ดสบสัมถิงที่ผ่านมา มันถ้ายังไม่เชื่อก็ไม่ดูยังไงแล้วหน้าที่ของผู้ศรัทธาเวลารู้แล้วเนี่ยแค่บอกให้มนุษย์คนอื่นๆรู้ด้วยว่าเรามีผู้สร้างและมีเพียงแต่เพียงพระ อ, องค์ผู้เดียวที่มนุษย์จําเป็นจะต้องกราบไหว้และไม่ใช่สิ่งอื่นเพราะสิ่งอื่นเป็นสิ่งถูกสร้างและผู้ที่ฝ่าฝืนและไม่ทําตามเนี้ยพระ อ, องค์ก็บอกว่าเวลาเจ้าตามันมีเรื่องต่อนะ ผู้ที่เมื่อกี้บอกข้อมูลลับที่บอกอยู่ในชั้นฟ้าเนี่ยอัลตอริสเนี่ยว่าฉันจะสร้างเจ้าใหม่เหมือนที่ฉันสร้างมาครั้งแรกหลังจากนั้นฉันจะตัดสินว่าใครที่เชื่อและใครที่ดื้อไม่เชื่อเพราะลอร์เป็นผู้สร้างและผู้ทําให้ดับนะครับฉะ น, นั้นสิ่งเหล่านี้อินชอร์ลถ้าผมมีข้อมูลอีกแล้วผมจะแต่ละที่จะ พ, พยายาม พยายามหามานะถ้ามันมีนะผมก็ดูของผมไปเรื่อยแล้วก็ถ้ามันเออมาอธิบายแล้วก็อาจจะทําให้คนคิดอะไรได้หน่อ ย, ยก็จะทำํำฉะนั้นเวลาผมกระตานพูดหรือเอ่อมาทํารายการเนี่ยนะครับหน้าที่คือพยายามจะบอกให้คนรู้ว่าเรามีผู้สร้างแค่นั้นเองใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่ใช่เรื่องของผมนะครับแล้วก็เอ่อมันมันยิ่งกว่ามันยิ่งกว่าสอนให้คนทําดีหรืออะไรทั้งทั้งมวล น, นะครับถ้าเรารู้ว่าเรามีผู้สร้างและผู้สร้างดูอยู่เนี่ย เราไม่กล้าทําชั่วไม่กล้ากระดิกเพราะว่าอัลลอฮฺปล่อยเชือกให้เราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยจะกระตุกเมื่อไหร่เนี่ยเราเรียบร้อยพฉะนั้นทําตัวให้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะ น, นั้นเนี่ยแค่เรื่องวันนี้มีเรื่องแค่นี้แต่ว่าเรื่องนี้มันหนักมากสำหรับผมหนักหนักไม่ใช่หนักด้วยเครียดน่ะมันมันเต็มมันเต็มใหญ่อ่ะเรื่องใหญ่แล้วเวลาผมพุ่มลงกราบเนี่ย มันทําให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถกําหนดขอบเขตของความยิ่งใหญ่ของรอดได้กําหนดไม่ได้และเรื่องแค่ น, นี้ยดาวที่หมุนนี่คือดาวแห่งหายนะนะครับพอลซาเนี่ยมันเป็นดาวแห่งหายนะไม่ใช่ดาวดีๆนะครับไม่มีสิ่งมีชีวิตนะมนผมฟังนักวิทยาศาสตร์บอกว่าไอ้ดาวเนี่ยไม่ควรเข้าใกล้เพราะถ้าเราเข้าใกล้เนี่ยเราจะถูกเข้าไปแล้วก็เนื่องจากมันมีแรงเหวี่ยงสูงเนี่ยเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เราถูกกระแทกให้แบนนะ เราจะถูกกระแทกให้ให้แบนขนาดระดับของอะตอมเราจะเละขนาดของอะตอมเลย ค, <ร>คือถ้าใต้โลกโลกก็จบเลยจบอย่าว่าแต่โลกเลยแค่ใกล้ผมเขาทำให้ดูอ่ะมีดาวอะไรที่มันเข้ามาใกล้เนี่ยดาวชื่ออะไรไม่รู้อะใหญ่เท่ากับจูปิเตอร์คือดาวพฤหัสกระจุยดาวนี้มันเล็กจริงนะแต่มีแสงแต่มันรู้เป็นดาวไหายนะเวลาเราอบอกว่า ชั้นสาบานด้วยดาวเนี่ยก็ว่าหายนะมันมาจากไอ้ตัวนี้แล้วมันมีไม่ได้มีแค่ดาวเดี๋ยวมีเต็ไมไปหมดแล้วเราไม่เคยสงสัยแเราอยู่บนโลกแล้วจักราวาลนี้ทําไมเราไม่โดนวะเราคิดเราจะไม่โดนไปตลอดเหรอแค่อุกาบาตก็กลัวแล้วอ่ะกระจอกอุกาบาตเท่าดวงจันทร์มาชนเรานี่กระจอกถ้าเทียบกับดาวประเภทนี้หายนะนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์พูดสิ่งเหล่านี้ให้ให้เรารู้ว่าหายนะมันอยู่รอบตัวหมด ทำไมเราไม่เป็นอะไรทำไมเราคิดว่าเรายิ่งใหญ่ทำไมเราคิดว่าเราแจ๋วเพราะว่าเราอยู่ในท็อปของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ห่วงโซ่อะไรห่วงโซ่แต่เราไม่เชื่อว่ามีอะไรมากกว่านั้นเน อ, เอะอลลอฮ์ให้เราท็อปบนโลกนี้พเพราะอลลอฮ์ส่งโลกนี้เราลงมาโลกนี้เพื่อให้เราทดสอบแต่เมื่อเราตะกับบอสก็คืออะไรเมื่อเรายักโซหังเกินเนี่ยเราควรจะรีเฟล็ก คิดถึงสิ่งเหล่านี้ที่ เ, เราบอกมันมีอะไรที่เยอะกว่านี้นะอย่าสําคัญตัวเองไปมากกว่านี้สิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดเพราะ เ, าเราบอกกันแล้วเราสร้างชั้นฟ้าห่อโลกเนี่ยเป็นเหมือนแคนอปีเหมือนอะไรหลังคามันหลังคาป้องกันดาวนูน้นดาวตกดาวนูน้นเลาป้องกันไว้ให้มอ ง, <า>งไม่เห็นด้วยเร า, ามองไม่เห็นหลังคานี้ด้วยหลังคาที่ไม่มีเสาคอยค้าคแต่มันยังมีอืเราพูดอย่างงี้ เราปัจจุบันนี้ถ้าเรารู้ว่าถ้าไม่มีหลังคานี้เราไม่เป็นจุนไปแล้ววันสิ้นโลกหลังคามันถูกจะถูกเปิดแลอวรถไฟ้าจะถูกเปิดและหายนะมันจะมาฟ้าจะถูกเปิดชั้นฟ้าถูกแล้วแล้วก็ไม่รู้อัตตริคมีเกี่ยวหรือเปล่ามันอาจจะเข้ามาโฉบนิดนึงเราก็เรียบร้อยแล้วและความร้อนมหาศาลแล้วผมกม็รู้เพิ่งรู้อีกข้อมูลหนึ่งตานว่าดวงอาทิตย์จ ร, จริงไม่สีส้มนะ ดวทิตจริงๆสีขาวอืแต่เนื่องจากชั้นบรรยากาศเราทําให้เห็นมันสีส้มเราเราบอกว่าไฟนรกเนี่ยจากสีแดงเนี่ยเอาเราจะให้กลายเป็นสีขาวจากสีขาวเอาเราจะให้ไหม้กลายเป็นสีดำงั้นะถ้าบอกว่าดวงอาทิตย์เป็นสีขาวเป็นไฟแรงระดับสองที่เกินไปที่เราจะเข้าใจนะระดับสองคือไฟสีขาวเหมือนที่เอาท่านอบีพูดและเวลาเขาบอกว่าเวลามีจุดดาๆใน ในดวงอาทิติเนี่ยคนจะเห็นเนี่ยคนวินนักเวียดซาไปแปลว่ามันอาจจะเหมือนจะดับหรือเปล่าแต่จริงๆมันคือมันเข้าเฟสไหมจนกลายเป็นสีดำนรกเนี่ยไฟสีดําดํามืดไม่มีใครเห็นอะไรไม่ใช่สีแดงนะครับท่านอับดุเบี๊ย์บอกฉันแค่ลักษณะไฟเราเพิ่งรู้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นไฟสีขาวและความร้อนอยิ่งว่านะั้นมันเป็นสีดำอลัลลอฮ์พูดมาพันสีรอยผ่านท่านอบีมูฮัมมัดมาพันสามมาีนส่ร้อยกว่าปีก่อน เรื่องของชั้นฟ้าเรื่องของความร้อนเรื่องของพึ่งเรื่องของน้ําเรื่องของโลกนี้ลักษณะเรื่องของสิ่งที่อยู่ในท้องมารดาที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนออีกเยอะนะครับแต่เราบอกเราไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะเรามองไม่เห็นที่บอกว่ามองไม่เห็นเพราะว่ากูขี้เกียจกูจะทําตามใจตัวเองตามอารมณ์ฝ่ายต่ําตัวเองแค่นั้นเองเพราะกูไม่สนใจแล้วกูไม่เชื่อว่าว่าอะไรว่ามีในรกสวรรค์ และลืมคิดไปว่าตัวเองต้องตายและลืมคิดไปว่าก่อนที่เราจะมาเป็นตอนนี้เราเคยตายมาก่อนอยู่ดูดีมาเป็นอีกทีหนึ่งแล้วเราลืมไปว่าเอ๊ยเราเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้มาเราเคยมไม่มีชีวิตมาก่อนอ่ะเราไม่เคยมาเพิ่งมามามีมแล้วก็เอ้ยมึงบอกว่ามึงคือทุกอย่างใช่ไม่ใช่ใชนะครับเพราะฉันนี่คือิสลามนี่คืออิสลามคื อ, อ, ค, อคือการติดต่อของผู้สร้าง ที่บอกมนุษย์เตือนมนุษย์ให้จำให้ใช้สมองให้คิดว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่โดยตัวเราเองและเราไม่ได้อยู่โดยที่ไม่มีมีผู้ที่เป็นผู้มีอำนาจเหนือเราเนี่ยดูอยู่แล้วก็เราไม่ได้ตายไปแล้วจบเพราะฉะนั้นทำตัวให้ถูกต้องตามที่ผู้สร้างนั้นต้องการและผู้สร้างนั้นต้องการให้เราทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องตามที่พระองค์สั่งและไม่ทำสิ่งที่ชั่วตามที่พระองค์ไม่พอใจ และไม่ให้เรากาบไหว้สิ่งอื่นนอกจากพระองค์พอเป็นการอากตักนยูอย่างสิ้นเชิงและนี่คืออิสลามแค่นั้นเองสรุปให้ฝั่งพระนั้นประมาณนี้นะครับอาทิตย์นี้เรื่องคือคือผมว่าอัราไม่ได้บอกแค่เฝ้าดูนะเฝ้ารักษานะอันรอดเฝ้ารักษานะคือคืออย่างที่คุณโตบอกท่านถ้ามันมาชนโลกนี่จบเลยนะใช่ใช่ป่ะท่านด a าน a v e t to watch อคือคือเเนี่ย ภาษาไทยใช้ว่าเฝ้ารักษาแต่ผมไม่รู้ถ้าเราแปลภาษาหลับคำนั้นอ่ะผมว่ามันมันไม่ใช่แค่แบบดูอยู่เฉยๆเฝ้ารักษาฮาร์ฟฟิสคิว่าปกป้องฮาร์ฟฟิสคิว่าปกป้องเหมือนเหมือนฮาฟิสที่แบบท่องจำากระอานใช่ป่ะปกป้องเป็นปกป้องให้มันยัง alive อยู่อ่ะมันมันมันมันลึกมากเลยนะคร์ฟก็เมนเี้ยปไอดาว พยนะนี่อยู่เนี่ยเราเราบอกว่าอยากอยากมนุษย์อยากคิดว่าไม่มีผู้ปกป้องมนุษย์อยู่เอาล็อไม่ให้มันเข้ามาที่นี่หรือเอาล็อาสาบาันนิว่ามันอาจจะเข้ามาก็ได้แต่เอาล็อเป็นผู้ปกป้องอยู่นะมันไม่รู้ดิผมผมไม่รู้คนเราคนเราแค่คนเราไม่ไม่มีเวลาให้การคิดกับเรื่องเหล่าเนี้ยมันก็เลยอมมันก็เลยแบบ พอสิ่งสําคัญเหล่าเนี้เราเราไม่ยอมก้มลงกราบซีโรราบให้แต่แต่เรายอมกราบซีโรราบให้กับสิ่งที่มันไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรค่า ง, ง่ายจริงจริงคือคนบอกว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าไม่เคยเห็นอะไรเนี่ยการที่พระองค์ให้เรารู้แค่เนี่ยมันมันก็มันก็สุดจะเป็นบุญคุณแล้วน ะ, ะเข้าใจปะคือคือมึงจะอะไรมากกว่านี้วะ คือให้รู้แค่เนี้ยให้รู้ความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่ถูกสร้างที่มันใหญ่เกินตัวเราไปไม่ไม่รู้กี่กี่ล้านเท่าเนี่ยแค่นี้ก็บุญแล้วเข้าใจไหมมันมันจะไปมีอะไรที่เราจะเหมิมเกิร์มไปรู้อะไรได้มากกว่านี้วะใช่ว่าที่ที่พอพอที่จะบอกให้รู้ว่ามีผู้สร้างได้มันมันคือการที่ปฏิเสธว่าไม่มีอ่ะไม่มีผู้ที่สร้างมันขึ้นมา ให้มันเป็นระบบอยู่ได้หรือว่ามันใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันมันคือความงมงายกว่าเปล่าที่อยู่ๆจะปฏิเสธได้อะคือคือคนพูดว่าเชื่อแล้วงมงายเนี่ยแกัที่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วปฏิเสธเนี่ยอะไรงมงายกว่ากันวะ <c oughs> ไม่ไม่อันนี้เอาเอ า, เอ า, เ, อาเอาจริงๆเลยนะเอาเอารอจิกจริงๆแหละอะไรงมงายกว่ากันวะคือผมก็พยายามยกตัวอย่างหลายทีนะนเนี่ยผมบอกไอเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองได้เว้ยคนนั่นถามว่าผมงมงายไว้ ไอ์พาวซ่าเมื่อกี้บังเอิญอะวะอะไรงมงายะวะคือเนี่ยแหละมันมันคือคือคนมันไม่ไม่ไม่รู้จักบางบางทีแบบสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนถา้าตาตาไม่เห็นแปลว่าไม่มีอะไรคือมันมันมันเป็นจริงจริงมันเป็นการปลูกฝังความกำแหงความความยะโสอยู่ในใ ห, ให้ให้ตัวมนุษย์นะ เามึงกไม่รู้ครับเนี่ยอนะคือการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยถ้าพิสูจน์ไม่ได้แปลว่าไม่มีเนี่ยโอ้โหมันมันแบบมันทําให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลมากเลยอออะือมเในผมขออนุญาตอ่านให้มีแค่สิบเจ็ดอายะอัลตอริกน ะ, ะ น, กนะบอกว่าด้วยชันชั้นฟ้าแล้วก็อัลตอริกคือผู้ที่จมากลางคืนแล้วอะไรทาให้เจ้ารู้อัลตอริกคืออะไรมันคือดวงดาวที่มีความสว่างแบบ ทิมแทงและสำหรับวิญญาณของมนุษย์ทุกวิญญาณมีผู้ที่ดูอยู่มีผู้ที่ปกป้องอยู่เพราะฉะนั้นให้มนุษย์ให้คิดได้ว่าเขาเนี่ยถูกสร้างมาะเขาถูกสร้างมาด้วยน้ำที่พุ่งออกมาข้างนอกคืออสุจิและเขาก็ได้ออกมาจากระหว่างสันหลัง แล้วก็แล้วก็ขาออ backbone l o n s and the chest ribs จากระหว่างช่องของเออเออซี่โครงกับขาสันหลังว่าออกมาจากท้องเนี่ยออกมาเรามาจากอสุจิแล้วมากลายเป็นคนแล้วก็คลอดออกมาที่มนุษย์คิดดิว่าแน่แท้พยธิปากอัลลอฮ์ทรงมี powerful มีอำนาจมหาศาล และสา ม, มารถที่จะทำให้เขาเนี่ยที่ออกมาจากอสุจิเนี่ยมีชีวิตอีกทีหนึ่ง back to life วันนั้นวันที่เขาออกมาอีกทีหนึ่งเกิดใหม่อีกทีหนึ่งเนี่ยวันนั้นวันที่ความลับของความคิดจะถูกตัดสินดูดูบรรทัดนนี้ดิวันนั้น that day when secret thoughts are put to trial วันนั้น วันที่ความลับของความคิดของทุกคนเนี่ยจะถูกสอบถามน่ากลัวมากนะครับเนี่ยไม่ใช่แค่สิ่งที่เราทำนะความลับของความคิดของคน then humans will have no power and no supporter และวันนั้นมนุษย์จะไม่มีไ ม, ไม่มีพละงกำลังอะไรเหลือและไม่มีผู้ที่ช่วยเหลือได้ and consider และจงคิดดิ the heavens ever evolving ชั้นฟ้าที่มันหมุนกลับมาที่เรื่องนี้อีกแล้วเอาล่ะกลับมาที่จักรวาลที่มันหมุนโครจร and the earth that cracks open และก็พื้นดินที่มันเปิดมาบอกว่ามีอะไรมีชีวิตออกมาจากรอยแยกจากพุ่งออกมาจากโลกเนี่ยจากแผ่นดินเนี่ย inde this Quran แน่แท้ q รหา n อันนี้ is a conclusive wordconclusive อะไรแยกแยะ สรุปอ่าเป็นเป็นเป็นนาทีบอกข้อสรุป เ, รเป็นข้อสรุปข้อสรุปแล้วก็แล้วก็บอกระหว่างถูกกับผิดจริงหรือเทอ็จเนี่ยกุรานเนี่ยอืแน่แท้เป็นสิ่งนี้ and it is not a just or amusement และมันไม่แค่แค่อุปมาอุปไ ม, ป ม, ปมและไม่ใช่แค่อ่านให้สนุกไม่ใช่นะคุราน indeed they are devising an evil plan บอกแน่แท้พวกเขาแบอบกว่าคนที่ไม่พูเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยพยายามจะคิด แผนชั่ว and I plan to nullify their plots และฉันเอาละพูดและฉันก็วางแผนที่จะทำให้แผนเขาไม่มีอะไรเหลือ so despite the disbelievers delay them for a while เพราะฉะนั้นทนไปกับพวกที่เป็นผู้ปฏิเสธที่วางคิดวางแผนชั่ ว, วปล่อยมันไปปล่อยมั น, ปนไป uh. และก็ด elay them for a while ปล่อยมันไปสักพักหนึ่ง u s กอัล่อวางแผนอยู่ล่อๆจัดการผู้ที่ บอกข่าวเราถึงอัตตอริกผู้สร้างผู้ที่บอกว่าเราเกิดมาจากน้ําอสุจิผู้พระองค์เป็นผู้สร้างเสร็จแล้วเราตายแล้วพระองค์บอกว่าชั้นจ เ, เจ้าเจ้าเกิดมาอีกทีนึงบอกว่าปล่อยไปเดี๋ยวกูจัดกเดี๋ยวกูจะวางแผนซ่อนกันมาอีกทีหนึงดูว่าแผนมันจะเป็นยังไงไม่มีใครวางแผนได้พูดได้งไงนะครับจบสิบเจดอายะนี่คืออัตตอริกอันนี้เป็นอายะที่ผมว่าน่ากลัวนะครับแล้วก็เราเตือน นะครับว่าเราเราเร า, เราลืมตัวกันไปหรือเปล่าเรามาจากอสุจิผมเราก็เคยพูดหลายที่ออกมาจากระหว่างช่องขาของผู้หญิงแล้วเรามาไม่รู้เรื่องสิ่งที่อยู่บนชั้นฟ้านอกโลกจักรวาลแล้วเราทำตัวยิ่งใหญ่เราเล็กกับติดเดียวเราก็บอกเขาค mm hmm. คนไม่เชื่อแล้วก็วางแผนช่วยให้คนหลงทางเนี่ยไม่ต้องห่วงผู้นั้นจะจัดการ secret thoughts จะถูกตัดสินความคิด ที่ชั่วจะถูกตัดสินวัน น, นั้นจะถูกเอามาวางข้างหน้าเพรั้นถ้าเรา ล, ล้างตัวเองไม่ให้คิดดีได้นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะ ย, ยังไม่ทำนะการกระทำที่เราสามารถทาชั่วได้เพราะความคิดชั่ ว, วมันมีเยอะแล้วการล้างความคิดให้มันดีได้ด้วยอะไรครับกุรานที่เราพูดกุรานไม่ใช่ของเล่นๆ เ, เราเราบอกเป็นสิ่งที่ทำให้เราแยกแยะระหว่างความจริงกับความเท็จ ความชั่วกับความดีไม่ใช่ของเล่นเล่นเพราะฉะนั้นไอความคิด ช, ชั่วที่จะถูกสืบสวนเนี่ยคุณามันจะลบออกไปได้ถ้าเราอ่านมาบ่อยๆแล้วก็ใช้ชีวิตตามสิ่งจริ ง, ส, งสิ่งที่เอาเอาความจริงถ้าไม่มีกุณอ่านเนี่ยบางทีเรา<ม>จับจั บ, จ, บจับไม่ได้นะว่าบางทีเราคิดชั่วแต่เราคิดว่าเราคิดดีใช่มันเป็นงั้นจริงนะเว้ย ห, หลังหลั ง, ลงแบบบางอย่างแบบเอาแค่แบบบางทีเราไม่พอใจอะไรบางอย่างเนี่ยเรา ผมนั่งนึกเฮ้ยเราเราไม่พอใจทำไมวะมันมันมันมันมันคอนคลูซีีจริงๆคือคือพอพอไปวัดมันมีมาตรวัดที่ชัดเจนนะมันรู้เลยว่าอย่าอย่าถล่าไปคิดเรื่องแบบนี้น่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะคือคือเข้าใจมันมันมันแต่ก่อนผมเคยแต่ก่อนยังยังไม่ยังไม่รู้ักอิสลามนะมันจะมีแบบ คนที่เขาแบบโอ้นั่งสมาธิอะไระแล้วก็มีท็อป e c คร t อะไรวะเดอะสิคริอะไรเงี้ยถ้าเราแล้วก็มีเดอะพาวเวอร์ออฟนาวแต่ก่อนมันมีเมธอดอลจี้ว่าเฮ้ยถ้าเราแบบได้สังเกตสิ่งรอบข้างแล้วอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราจะเริ่มจับความคิดตัวเองได้มากขึ้นแล้วเราก็จะคอนโทรตัวเองได้มากขึ้นเลยผมนั่งนึกเออมันก็ลอ g i จิคอหน่ยแต่ว่ามันทำได้จริงวะแต่พออ่านกุรานบ่อ ย, อยเนี่ย คุณจะจับความคิดตัวเองได้จริงเว้ยคือความคิดไม่ดีหรืออะไรเนี่ยมันจะจับได้ตั้งแต่ต้นต่อเลยมันมันมันมันขัดกับสิ่งที่เราพูดทันทีเออเออโปงโป้ ง, ปอ ง, ปองมอรลัลเนี่ยมนุษย์กําหนดเองไม่ได้เว้ยอื ม, มนุษย์กําหนดเองไม่ได้เพราะความความต้องการนับสูความต้องการไฟต่ําหรือความอารมณ์หรือว่าเข า, เขาเรียกอะไรวะไอ เขาต้งร่างไฟต่ำแหละเออนั่นแหละมันมันมันจะดึงเราให้คิดว่าถูกตลอดเวลาเว้ยเขากาอองตัวเองเออเขากางตัวเองเพราะว่าใช่ใช่ช่ อ, อ้กูไม่ได้เบียดเบียงใครนี่หว่าเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อไม่ทำใครเดือดร้อนนี่หว่าอเออเ อ, อ, อะไรเงี้ยมันมันหรือหรือแม้แต่แบบยังไงว่าแบบคือเวลาเราบอกว่าให้ peace and tranquility เนะี่ยคือคือในในหัวใจของเราเนี่ยบางทีเอ้ ผมพูดยังไงดีวะแค่แค่ความเห็นคนอื่นแล้วเราอยากได้หรืออะไรเงี้ยแล้วเราพูดไว้ในในกรานบ่อยๆว่าอย่าอย่าบอกบอกท่านอับดุลเบนะอย่าอย่าไปอย่าไปอิจฉาเขาหรืออย่าไปคิดว่าสิ่งที่เขามีเนี่ยมันดีเนี่ยคือถ้าเราไม่อ่านพวกนี้บ่อยๆนะเว้ยพอเราอ่านบ่อยๆเนี่ยมันจะไม่ถล่าไปอ่ะเข้าใจไหมผมอยากจะอธิบายตรงนี้ให้ ให้คนเข้าใจมากๆเลยอ่ะว่าว่าการที่มันมีที่ที่มันที่ที่ล้อพูดเมื่อคียบอกว่ามันมันเป็น conclusive word เนี่ยมันทำให้เราแยกแยะได้ทันทีเลยนะมันมันลงตะแกรงชั่วตะแกรงดีมันมันเหมือนเป็นความรวบยอดของทุกอย่างกุณฮานะเออแล้วมันเจออะไรมันเรานิ่งได้มากๆเลยอ่ะเพราะเพราะมันมันมีใครทีเรียที่ชัดเจนนะคือคือมนุษย์ที่ว้าวุ่นเนี่ยนเอยเพราะว่ามันไม่เข้าใจอ่ะ มันไม่เข้าใจชีวิตอ่ะเออกุรหานมันทําให้แบบมันมองทุกอย่างง่ายไปหมดเลยมันวันวันก่อนผมฟังคนหนึ่งที่ผมเล่าให้คุณนะฟั ง, ฟงว่าให้ให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยแล้วก็คนสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าเ อ, อ้นั่นได้ไงคือบอกว่าเขาเขาพูดเหมือนที่เราพูดอาทิตย์ที่แล้วมันง่ายเกินไปอะ่ะคนเลยไม่เข้าใจการมีผู้สร้างองค์เดียวเนี่ยสําหรับมนุษย์มันคุรจะง่าย กว่าอะไรทั้งหมดเลยอ่ะแต่มันนี่มันง่ายเกินไปจนแบบมนุษย์แบบชอบคอมพลิเค์อะแบบเอ้าทำไมทาไมเห็นไม่ไอ้นั่นไอ้นี่คือทุกอย่างมันอยู่ได้ยังไงวะถ้าไม่มีหนึ่ง power control มันเขาบอกสำหรับผมมันง่ายมากเลยนะง่ายง่ายเกินกว่าที่จะแบบไปคิดอะไรต่อจากนั้นอ่ะเออมันมันง่ายมากอ่ะและสำหรับทุกคนมันก็ควรจะง่ายเหมือนกันใช่ไหมมันมันแต่แต่อล้อพูดไว้ในกุรอานตลอดเวลามนุษย์ เทนที่จะแบบหาอาร์กิเมนต์มาหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาทำให้แบบมันคอมพลีเคชชอชอบโต้เถีย ง, ออยงส่วนใหญ่ชอบโต้เถียงชอบมีเหตุผลแล้วก็เอาการโต้เถียงมาโชตเองคำว่าโช์เ็งนี่ผมชอบมากเลยอ่ะคำถามการคำถามบ้างครับครับ ถ้าเพียหลับไม่ตื่นละหมาดซุปเปอร์ทเนี่ยตื่นมาเจ็นโงช้างสามารถละหมาดได้ไหมครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ่าคุณตอบเลยครับคือถ้าตื่นมาก็ให้รีรบละหมาดเลยนะครับแต่ว่าก็ก็อย่าให้มันคือจริงขาดละหมาดเนี่ยไม่ไ ม, ไม่เป็นสิ่งที่เลาบอกให้ละหมาดในเวลานะแต่ถ้าเกิดว่ามันแบบโหเราเราเรา อ้นั่นจริงๆแล้วตื่นมาโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวทั้งๆที่ตั้งนาฬิกาปลุกแล้วอะไรแล้วพยายามอย่างดีที่สุดแล้วเนี่ยตื่นมาเพื่อเพื่อรีบละหมาดเลยนะครับสุภีน ะ, ะเดี๋ยวผมมีคําถามมาหนึ่งบอกว่าฉันนับถือศาสนาหนึ่งมา60ปีนะครับไม่รับที่ไม่ได้รับอิสลามเพราะไม่รู้ไม่รู้จักใครไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอิสลามเลยนะครับกลัวเวลาตายไม่รู้จะเป็นอย่างไรใครจะทําพิธีตอนตายอย่างไรคือถ้าคุณเชื่อว่ามีผู้สร้างเนี่ย คุณวิ่งเข้าไปที่มสัสยิดหรือโทรมาก็ได้แล้วผมรับอิสลามให้แล้วเดี๋ยวจะแนะนําให้คนรู้จักว่าคนเรามันต้องค่อยๆรู้จักคนเน่ยเหมือนกับเหมือนกับเหมือ น, น, นกับคุณบอกว่าอพี่แล้วกันนะเหมือนพี่บอกว่าอจะเข้าบริษัทนี้ได้ไงไม่รู้จักใครเลยอะไรเงี้ยคุณก็ต้องเดินเข้าไปในบริษัทนั้นแล้วก็สมัครงา น, แ, นแค่นั้นเองเพราะว่าอิสลามโอเคคุณมาในช่องนี้โอเคถูกแล้วรับอิสลามประ ก, กาศว่าวเราเชื่อผู้สร้างแล้วหาความรู้เพิ่มนะครับ อยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมกับตาหรือใครที่มีความรู้เนี่ยเราแลวดึงเข้าไปในกลุ่มแล้วก็โอเคเจอกันดีรู้จักคนหลังนั้นมันจะรู้จักเรื่อยๆอายุไม่ใช่ตัวไม่ใช่ความสําคัญบางคนบางคนเพิ่งมารู้จากอิสลามอยู่บนเตียงที่กําลังจะตายแปดสิบกว่ามีคนมาพูดข้างๆเขาเชื่อทันทีอลัลลอฮ์ให้ทันทีรับอิสลามตรงนั้นรับเสร็จปั๊บไม่เกินห้านาทีตายเลยบอกวาคนนี้อลัลลอฮ์ลบบาปให้หมดแล้วก็เป็นชาตสวรรค์อัลลอฮ์เอาเขาตอนสุดท้ายบอกอลัลลอฮ์เมตตา ผู้สร้างไม่ตางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเชื่อว่ามีผู้สร้างแล้วคุณบอกว่าฉัฉนเชื่อและจะบูชาแต่เพียงท่านผู้เดียวเนี่ยแล้วทําทุกอย่างที่ผู้สร้างสั่งเนี่ยเพราะว่าตนเอาตัวเองให้รอดพรอตายไปมันมีอยู่อย่างเดียวที่จะเกิดขึ้นวันตัดสินว่าคุณอยู่บนโลกนี้นึกถึงพระองค์หรือเปล่าทําตามที่พระองค์สั่งหรือเปล่าหรืออยู่ไปเรื่อยเหมือนเหมือนเหมือนอย่างสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไม่ได้คิดเลยอยู่ๆทําไมอยู่อย่างไงาไม่ได้สนใจเอาแต่ทําแต่เงินแต่เงินแต่เงินทหาหําหาทำหน้าอย่างเดียวแล้วไม่มีอะไรเลยแต่ซึ่งมีชีวิตอื่นนะมันรอดนะเพราะมันไม่ฝ่าฟืนเอออืมตอนนี้รู้แล้วทํายังไงก็ต้องหาความรู้ประกาศตัวหาความรู้แล้วก็ค่อยๆค่อยๆจะใจร้อนหกสิบไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะนะครับบางคนเนี่ยอีกแค่หนึ่งชั่วโมงจะตายแล้วรับเอาลายรับแล้วก็ไป นะครับเราไม่รู้เราจะไปเมื่อไหร่แต่สำคัญที่เราไม่รู้ต้องรีบต้องรีบแล้วก็ค่อยๆหาความรู้เพราะว่าใครที่เอาล้อให้คิดได้ตอนตอนมีอายุมากเนี่ยคิดได้ว่ามีพระองค์เอาล้อเป็นผู้ให้นะและรับนะผมว่ารอดรักเขาเพราะว่าหกเจ็ดสิบปีบาป ท, ทั้งหมดเนี้ยรอดยกให้หมดเลยนะเหมือนเกิดใหม่วันนั้นวันที่รับแล้วถ้าอยู่ต่อได้แค่ไหนมีบาปได้แค่นั้นคิดดูดิ ไม่ใช่อยู่6กสิบเจ็สิบปีแล้วก็มันจะขัดทุนนะไม่ใช่นะครับมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นชาวสวรรค์โดยไม่ต้องผ่านนรกเพราะฉะนั้นตัวเลขไม่ต้องไปพูดถึงนะครับพี่ถ้าพี่เข้าใจและเชื่อแล้วก็เชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีมีวันตัดสินที่ผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ต, ตัดสินว่าเราเนี่ยมีคุณค่าแค่ไหนตอนเราอยู่บนโลกเนี่ยดีหรือไม่ดีคือถ้าสวะองค์กเจาลงนรกตลอดการ คนดีอัลลอฮฺก็จะให้หรางวัลที่พระองค์สร้างแล้วก็ทําตัวดีดีตามที่พระองค์สั่งไม่ใช่ดีในทัศนกติของเราในะเหมือนที่พูดนะมีสองอย่างที่จะเกิดขึ้นในวันตัดสินจะมีสองที่ที่จะไปเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อแล้วเนี่ยติดต่อมารัาบิสตามแล้วก็ค่อยๆหาความรู้นะครับหาความรู้แล้วค่อยๆไปอย่างน้อยเนี่ยพอประกาศแล้วอ่ะบาป ท, ทั้งหมดอัลลอฮฺลบแล้วเริ่มใหม่นะครับแค่นั้นเองนะครับท้านับตามตรการพี่มีโอกาสเข้าสวรรค์มากกว่าพวกเรา ใช่อืมคือคือถ้าเอาเป็นว่าอายุมากใกล้ตายมากกว่าอายุน้อยนะพี่มีโอกาสเข้าสวรรค์มากกว่าพวกเราอืมเพราะโอกาสที่เหลือในชีวิตน่ะนอกอยากจะอยู่ไปสองร้อยปีนะมันมีโอกาสที่จะได้เข้าสวรรค์มีมีฮดิสนเบียนหนึ่งที่บอกว่าบางคนนะ่ะดูเหมือนใกล้สวรรค์มากเลยนะเพียงแค่ฝ่ามือแต่เขาลงนรกอืมบางคนดูเหมือนเขาจะใกล้นรกมากนะแค่ฝ่ามือแต่เขาได้เข้าสวรรค์ ไม่มีคืออันเนี้ยถ้าบรรทัดสุดท้ายแปลว่ามันอยู่ที่วินาทีสุดท้ายอืมแล้วเราเราคือไม่มีอะไรสวยงามกว่าการได้รู้ความจริงก่อนที่เราจะตายอ่ะมีมีคนนึ่ง<ม>ที่ผมกระตาไม่มีโอกาสรู้เขาป่วยสาหัสแล้วเขารับอิสลามแบกไส้ตัวเองออกมาจากนอกถุงเลยมาฟังผมกระตาบรรยายเพราะเพราะว่ากลัวมากว่าจะตายแล้วจะไปไหนจนเขากลัวมากแล้วเราก็พูดได้อยากอย่ากลัวถ้าเรา เชื่อเราแล้วเราเชื่อแล้วทําทุกอย่างแล้วนะไปหลังจากเราตายมีแต่มีความสุขอย่างเดียวว่าเราจะให้ต่อให้ยังรอวันตัดสินก็จะมีความสุขแล้วก็เขาก็ไปด้วยแม่เขาบอกก่อนตายเขาก็ละหมาดตลอดเวลาทําทุกอย่างที่ทําได้แล้วเขาก็เสียชีวิตบนเตียงผมกับตาเก็ไปฝังทำดิลละอยู่ชลบุรีนะอ ย, อยู่ชลบุรีใช่ปะอะอะแล้วผมว่าทำดินละเป็นเกียรติของผมกับตามาที่ได้ไปไป ไปทําให้กับคนที่ที่เอาล้อเลือกอย่างเงี้ยช <To S 2> ื่อเอสชื่อเอสคนอายุนะ uh, uh, uh, แต่ว่า uh. แต่ว่าเอาล้อให้เขากลับมามีเวลาก็าอยู่อยู่ลาบิซามได้ได้เท่าไหร่กกี่เดือนวะไม่กี่เดือนน่ะเป็นสาหัสมากเลยอุตสาห์แบบไส่ออกมานอกถุงแล้วเดินม า, มามานั่งฟังบรรยายเสร็จแล้วก็กลับไปแล้วก็แบบหลังนั้นก็สุดแล้วก็ไปเลยอะเนี่ยเราเอาเราอาไปง่ายเขากลัวแม่บอกเผมก็ไม่มีโอกาสเพราะว่าเขาเป็นวันโลกอะไรแต่แม่หมกเลยวใช่ปะ เราก็ผมเราไปเยี่ยมตอนนั้นแหะอยากจะบอกก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเขาอยู่ในห้องห้องปลอดเชื้อถ้าเราทําเต็มที่แล้วไม่มีอะไรที่ต้องกลัว allah, อิชออลลัลบิสミลลานะครับเรามีแต่ความสุขพอเราสิ้นลมเนี่ยมันมีมันมีต่อวิญญาณเราไม่มีการจบสิ้นเข้าใจปะร่างกายเราดับเนี่ยเพราว่าพาหณะเนี่ยเราออกจากรถออกจากรถอันนี้ไปในจุดอื่นๆ น, นะครับเพราะฉะนั้นเองร่างกายมันเหมือนรถนะครับแล้วไม่ใช่ฟอร์มจริงของเราด้วยซ้ํานะครับ หลังจากนั้นจะใหอารวจจะเกิดอีกและจะให้เราในร่างกายที่สวยงามกว่าเดิมมหาศาลและใครติดตามตอนก่อนผมพูดถึงร่างของเราในในที่เราจะสร้างหมายที่ท่านอบีเล่าให้ฟังผมผม <ไป S 1> จําคําพูดคุณได้อันหนึ่งตอนไปไปฟังคนเนี่ยคุณบอกว่าเพิ่งรู้สึกว่ามันคุ้มค่าการที่เราจะได้ความดีหนึ่งโอ้โหอ่ะคือเราไม่ได้เออคือคือแบบเออผมผมก็รู้สึกธรรมดาแบบเรา ไปแบกมาหยัดใช่ไม่มก็เอามือแตะๆหน่อยแล้วก็เอไปที่นี่คือแบบจัดการทุกอย่างตั้งแต่แบบเขาเสียชีวิตยันไปมัสยิดหา<ม>ที่ละหมาดให้เอาไปฝังคือแบบ <c oughs> คื อ, คอมันรู้สึกเอ้ยเราเราเราได้ทําสําหรับความดีที่ควรจะได้เออมันรุ่งแล้ว <c oughs> ล ว, วันนี้กูรุ่งแล้วก่อนหน้านี้กูบอกโอ้โหทำแค่นี้ได้ขนาดนั้นแร้วอะอะไรเงี้ยคือคือคือแบบ เออผมผมอดกูผมคิด เ, เรื่องนั้นมาตลอดเลยนะุ้ยแบบใบงานยน า, านาซ่านี่แบบใบงานละหมาดคนตายเนะี่ยบางทีแบบเราไปช่วยแบกนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยแล้วโหเราจะให้เราขนาดนั้นเป็นความเมตตามากเลยนะแต่ตอนนั้นเราคือเราได้ทําทุกกระบวนการอนะเรารู้สึกเออได้ทําให้เราได้คุ้มหน่อยทออ่านธมีเริ่มเผยแพร่ศาสนา ย, ยัางไงครับแล้วโดนต่อต้านไหมทําไง<ฮ>ให้ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ครับ เลา่าใหยิ่งใหญ่นะครับแต่แต่แตท่านอ บ, บีเผ ย, พยแพร่ญาตกโกติกาพยายามฆ่าจนถึงทําสงครามนะครับจากเล็กๆจนจากคนคเดียวจนทุกนบีนะโดนหมดนบีหมดนะครับบางนาบีก็โดนฆ่าเลยเล่าก็ให้เขาเสียชีวิตด้วยจากการต่อต้านแต่นบีมุฮัมมัดสุลตัลเนี่ยศาสนาทูตทางสุดท้ายเนี่ยก็เออสิบสามปีแรกท่านต้องหลบอ่ะท่านหลบแล้วก็เล่าไม่ให้คือท่านไม่ได้ทําอะไรเลยจนเออสาวกที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นของท่านก็บอก ท่านทำไม่เราไม่สู้เลยแหละเข า, าอาธรรมเรานะเราแก้ผู้ใี่คนคิดถึงอโล่ก็จะมามามาทำร้ายร่างกายเงี้ยจนอโล่อนุญาตแล้วก็หลังนั้นก็ เ, เกิดสงครามขึ้นแล้วก็คนที่ทําสงครามนู้นก็เป็นญาติของท่านหมดเลยเพราะว่าท่านอบีเกิดในตระกูลที่สูงแล้วก็มียาตะโกหติกาท่านที่เสียผลประโยชน์เพราะคนเริ่มรับอิสลามมันก็เริ่มไม่ไ ม, ไม่ไม่กราบไหว้แล้วจ่ายเงินกับพิธีกรรม กับกับรูปปั้นที่อยู่รอบกาบาเนี่ยอแล้วก็เลยพอมันเสียขาดดุลเรื่องเงินเรื่องอะไรมันก็สัญนใหญ่ก็เป็นเรื่องเงินแล้ ว, ลวก็เลยก็เลยอพยายามจะลอบทาอบําร้ายลอบฆ่าแต่เราก็ไม่ให้มันเกิดนะครับแล้วก็ไปขัดผลประโยชน์เขา อ, ะอ่ะจริงจริงไม่ได้เขาไม่ได้ไม่เขาโดนขัดผลประโยชน์เนี่ยไม่ได้ไม่เชื่อนะคือคือเชื่อสมัยนั้นนะเขาเชื่อว่ามีพระเจ้านะ อ่ายิ่งยิ่งดีกว่าสมัยนี้ด้วยซ้ํานะเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่ว่าไม่อยากจะทําตามเนี้ยเพราะว่ามันจะทําให้ความงมงายต่างๆผลประโยชน์ที่เขาได้เนี้ยสิ่งละเริงอะไรอมันมันมันมันมันหมดไปใช่แล้วก็จนจนจนชนะชนะได้แล้วก็จนจนหลังนั้นก็อิสลามก็ขยายวงกว้างทั้งทั่วแผ่นดินอตะวันออกกลางแล้วก็ไปถึงโรมไปถึงจีนไปถึง ไปกันหมดด้วยด้วยของสาวกของท่านที่เอาคําพูดไปต่อแล้วก็คนก็ปากต่อปากปากต่อปากด้วยเหตุผลเหล่านี้แหละแล้วก็คนก็เริ่มเชื่ออ่าเริ่มเริ่มเข้าใจว่าเออเราเร า, เราถูกสร้างเนี่ยมันด้อยู่เหมือนเหมือนเหมือนสัตว์ที่มันเดรัจฉานนี่อยู่ไปเรื่อยแล้วก็ไม่มีอะไรไม่เคยคิดอะไรเลยมันไม่ใช่แล้ะ อยู่ผสมพันธุ์กันไปหาเงินแล้วก็ตายมันก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องมีมากกว่า น, นั้นดิ Hair. มันต้องมีคุณค่ามันต้องต้องมีคุณค่ากันก็คือการหาการกระตันอยู่กับผู้สร้างทําสิ่งที่ดีๆที่ผู้สร้างพอเพราะไทยมันต้องมีคุณค่าก่อนจะตายไม่ใช่ตายแบบไม่มีคุณค่าคนก็มันก็เป็นเป็นความประสงค์ของลอที่ลอท Allah จะให้ครั้งสุดท้ายที่มีศาสนา ท, ทูตท่านสุดท้ายมาซึ่งเป็นสุทธิรักของผู้สร้างเนี่ยลอทบอกท่านพวกนี้เป็นสุทธ่รักจึงทําให้ศาสน า, ส, าสุดท้ายขั้นสุดท้ายเนี่ยอแข็งแกร่งแล้วก็ แล้วก็กว้างขวางเอ่อแล้วก็มันก็จะจบอีกนะครับอลามก็จะจบแล้วคนชั่วก็จะมาอีกมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็หลังนั้นวันสิ้นโลกก็จะมาแต่การที่เราให้ให้เห็นตัวอย่างนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่จะเผยแผ่สลามนะเพราะว่าคือทุกคนจะโดนหมดแหละบททดสอบอะการเอาความจริงไปไปสู่ความงมงายความเท็จเนี่ย มันมันจะมีการโดนต่อต้านไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ไม่เล็กก็ใหญ่นะครับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนบีลเราจะให้โดนเยอะที่สุดละนะตั้งแต่นบีบรเหอฮิมทุกศาสนาทูตโดนหมดอ่ะลักษณะของศาสนาทูตถือคือเอาความจริงมาเพื่อลบความเท็จโดนต่อต้านโดนต่อต้านอย่างหนัก แล้วก็อีกลักษณะหนึ่งคือเวลาเผยแร่เนี่ยไม่เคยอยากได้ผลประโยชน์อะไรจากความจริงที่เขาเอามาพูดเนี่ยมีสองสอย่างที่ทุกศาสนาทุโดนหมดและผู้ใดก็ตามที่เผยแร่ความจริงเนี้ยก็จะโดนเหมือนกันมันมันมั น, ม, นมันเป็นกำลังใจมหาศาลในพวกเราเนะ<ท>มีเข<ท>าถามเราอิสลามมีนาบี ก, กี่คนจริงๆเราถาม เ, เข้าใจคํ า, าถามนะแต่จะต้องถามว่าอัลลอฮ์ส่งนบีมากี่คนไม่ใช่อิสลามมี เ, เพราะงจานบีไม่ได้เฉพาะอิสลามอิสลามมีนบีคนเดียวคือท่านนบีมูหามบอชุลสลามเป็นศาสนาทูตประจําศาสนาสุดท้ายของพระองค์ที่ศาสนาทูตคือหรือนบีเนี่ยศา ส, สนาทูตสุดท้ายรับผิดชอบทั้งโลกแปลว่าท่านมีหน้าที่ที่จะเอาสารข้อมูลจากพระเจ้าในเผยแพร่ให้คนทั้งโลกรู้ว่าพระองค์มีตัวตนแล้วก็พระองค์ต้องการอะไรกับเราคนเดียวสําหรับคนยุคสุดท้ายคืออิสลามแต่ก่อนหน้านี้พระเจ้าได้ส่ง ศาสนาทูตหรือนบีมา1นึ่งแพันท่านก่อนหน้านี้ตั้งแต่มนุษย์คนแรกจนถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นศาสนาทูตท่านอื่นๆที่เผยแพร่ไปแล้วก็พอหมดหน้าที่เสียชีวิตและกลับไปเอาลอกลับไปคนก็ไปเปลี่ยนคาสอนท่านแล้วก็ตั้งเป็นศาสนาโน้นศาสนานี้ศาสนาโน้นศาสนานี้เพราะฉะนั้นก็เกิดหลายๆศาสนาขึ้นมาเพราะว่าศาสนทูตอื่นๆ ได้จากไปแล้วก็คนก็ไปเปลี่ยนเพื่อเป็นผลประโยชน์าทางโลกนี้นะครับแล้วก็ไปไปบิดพลิ้วคําสอนคําสั่งแล้วถ้าใครดูแกนของแต่ละศาสนาเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกันหมดนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าเป็นสารที่ถูกส่งมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นแต่เนื้อหาจะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับดุลพิสิ์ของของผู้สร้างว่าจะให้ข้อมูลสําหรับคนแต่ละยุคสมัยอันไหนที่เหมาะสมแต่ว่าความดีความชั่วเนี่ยแกนมันเหมือนกันแต่ว่าเวลามันเพี้ยนไปเนี่ยไปเริ่มบูชาศาสนาหรือศาสนา ศาสนทูตที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยมันก็เป็นความผิดของมนุษย์เองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของใครนะครับแต่อัลลอฮ์ทำให้เกิดแต่พอมันเพี้ยนไปคนเริ่มบูชาศาสนทูตอัลลอฮ์ก็จะส่งศาสนาทูตใหม่มาแล้วเพี้ยนอีกอัลลอฮ์ส่งศาสนทูตใหม่จนสุดคนสุดท้ายเนี่ยคือท่านอาบดีมุฮัมมัดอัลลอฮ์บอกคราวนี้ไม่มีห้ามเพี้ยนละอัลลอฮ์จะไม่ให้เพี้ยนด้วยคําประสงค์ว่าส่งศาสนทูตท่านสุดท้ายมาแล้วนับแต่วันนั้นมาพันสี่ร้อยสี่สิบสี่สิบปีเนี่ยหนังสือเคยเพี้ค และคําสอนไม่เคยเพี้ยนคนอาจจะเพี้ยนไปแล้วแต่ซึ่งมีมุสลิมมุสลิษเต็ไมไปหมดแต่ว่ามีคนที่เอาจริงแล้วก็ยืดกุรานและคําสอนของศาสนทูตเป๊ะมีนะครับมีเยอะนะครับอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดแต่ศาสนทูตของอิสลามนบีมุฮัมมัดสุลตัสมแต่นบีก่อนหน้าเนี้เยซูก็เป็นนบีของอิสลามเหมือนกันศาสนทูตทุกท่านเป็นศาสนทูตของอิสลามเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าของเรา พราะท่านเกิดก่อนยุคเราท่านนาบีเนี่ยมุฮัมมัดเนี่ยรับผิดชอบยุคเรายุคสุดท้ายนะครับแต่ก่อนหน้านี้เป็นนบีของเราไม่เป็นเป็นศาสนาของศาสนาทูกของอเลไม่ศาสนาของพระเจ้าไม่เป็นแต่ว่าท่านนับถือเอ่อท่านมีหน้าที่สําหรับคนกลุ่มอื่นๆอย่างนาบีเอ่อเยซูเนี่ยยีเซสคัตท่านนับถื อ, อมีหน้าที่สําหรับชาวอิสราเอลไม่ใช่ที่อยู่ในอิสราเอลไม่ใช่นะอิสราเอลตัวจริงนะครับ หาที่กนารงนนั้นนบีอิบราฮิมก็สําหรับท่านนาบีลูดก็สําหรับท่านกลุ่มคนเขาบางทีในยุคหนึ่งอะโลกออ ล, ล่าจะส่งมาหลายร้อยคนเลยทีเดียวพร้อมๆ ก, กันอแต่ละที่แต่ละคนรับผิดชอบกันเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ติดต่อกันเหมือนโลกนี้ไม่ได้ไม่ได้ทั่วถึงเหมือนโลกนี้นบีมูฮัมมัดส่งมาเนี่ยทั่วถึงโองเพราะโลกยุคสุดท้ายเนี่ยมันติดต่อกันครบถว้วนละ คนเดียวเนี่ยสามารถครอบคุมได้หมดแต่เมื่อก่อนนี่มันเดินทางอะไรแต่ละ แ, แต่ละระเบียบอเลสส่งมาสําหรับแต่ละยุคต่ละสมัยแต่ว่ามาจากผู้เดียวคือผู้สร้างที่เกิดศาสนาโน้นศาสนานี้แล้วก็เพียงหมเพราะคนไปเปลี่ยนคําสอนของศาสนาทูตศาสนาเนี่ยแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นผู้มีอํานาจแทนหลังจากท่านได้ เ, เสียแล้วเนี่ยจึงทําให้เกิดศาสนาต่างๆมาแค่นั้นเองนี่คือความเชื่อตามหลักการอิสลามนะครับครับมีคนก็ถามว่ า, าพี่โตอ่านกุรราน ด้วยแอ ป, ปอะไรมันมันความหมายภาษาอังกฤษมันมันให้ความหมายดีนะครับ อ, อแอ ป, ปชื่อกุรรานมาจีตนะครับที่พี่โตอ่านเนี่ยอกุรรานมาจีตแต่ว่าผมเลือกผู้แปลนะ อ, อมัน <จะ S 1> เลือกเลือกได้หลายผู้แปลแผมอ่านร อ, อ, อบหนึ่งผู้แปลรอบนึ่งอ่านอีกรอบนึงก็ผู้แปลก็มันจะได้มีอัธรรถคนก็พยายามจะแปลให้มันได้ตามผู้รู้ที่คนนั้นที่พยายามหาความรู้มาเก็จะมีอัธรรถของผู้การแปลกุรรานเนี่ย ต่างกันไปนะครับโซฮีอาบุติผมก็อ่านเยอะนะครับหรือหลังนั้นก็มีโมซินคาร ก, ก็ก็กกดีแล้วอันนี้คนใหม่ผมเขาเพิ่งกันโหลดมาใหม่บไม่รู้ผมเพิ่งเพิ่งเห็นเนี่ยชื่ อ, อชื่ออิสมาตุลลอฮ์อิสมาตุลลอฮ์นี่เพิ่งผมเพิ่งมาลองอ่านดูเมื่อกี้นี้ก็อ่านอิสมาตุลลอฮ์ที่ที่อ่านง่ายอีกอันโซฮีอาโซฮีอาอินเตอร์เนชั่นแนลอันนั้นก็ง่า นั่นที่เราแจกอยู่แล้วอ่าอ่า อ, อันนั้นก็ง่ายแต่ว่าในในคุรานมายิษก็มี <c oughs> ผมผมดูแล้วเขาเอาคนที่แปลแล้วแล้วเป็นที่น่าเชื่อถือในวงกว้างมาใส่ไวแ้แล้วมีหลายหลายผู้แปลมาก อ, อีกอันนึงที่อ่านง่ายก็อ่มามังลานาม า, าดูดีเนี่ยอ่าอันนี้อันนี้ก็อ่านง่ายตองลองลองเทียบเลยเทียบเลยเออละคน่อโอเค เราเราสามารถทํางานเกี่ยวกับร้านฮอตพอตซึ่งมีเมนูไม่ฮารานได้ไหมครับไม่ไม่ได้นะครับเอาจริงคือไม่ได้ก็ก็เป็นบาปนะก็ขอดูอาลแล้วก็พยายามหางานที่เราให้เราให้คนกินสิ่งที่เราห้ามให้คนกินเนี่ยได้ไหมเลาบอกห้ามให้กินนะเราบอกเออกินเถอะเอาเอาตะ ก, กากง่ายๆเลยนะเอาเราบอกว่า อ, อห้ามฆ่าคนนะคุณเอาปืนไปอา้าวยิงเลยยิงมันเลยอย่างงี้โอเคไ่ม เหมือนกันนะครับเอาเราบอกอันนี้ไม่ได้บาปนะคุณบอกให้ทําไปเถอะบาปเนี่ยเหมือนกันนะครับผมเห็นมุสลิมหลายคนแล้วที่ทํางานตามห้างหรือตามอะไรเงี้ยในขายของที่มันฮารามอะ่ะผมก็เดินผ่านก็ไม่รียจพูดยังไงว่าสุดท้ายก็อยู่ที่อิมานของเขาผมว่าเขารู้ตัวแหละนะครับว่ า, ว, าว่าอะไรนะแต่ว่าอืเราให้คนให้คนเนี่ยทําในสิ่งที่เราห้ามอะ่ะคุณคิดว่าบาปแต่แค่นั้นเองมันไม่ได้ยากอะไรนะนะครับเล่าเนี่ยเราไปขายได้ไม้มตามทับไม่ได้ เวลาเราไม่อนุญาตอะไรบางอย่างเราไม่ใช่ว่าเราไม่ทำเองแต่ไปให้คนอื่นทำเราไม่บาปนะเราเราอาจจะโดนมากกว่าได้ซ้เพราะเป็นผู้เอาไปยื่นให้เขาบาปยื่นบาป ใ, <น S 1> ให้เขาไอ<น>แพทความชั่วในที่สาธารณะเนี่ยจะต้องรับโทษนะครับแปลว่าอะไรอิทธิพลของคุณในการทำให้คนเนี่ยทำชั่วทั้งที่คุณไม่ได้ทำอ่ะคุณแค่พูดเนี่ยหรือกระทำให้คนเห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยคุณก็ผิดแล้วนะอย่าว่าจะ เสิร์ฟให้เขากินเลยแค่คุณพูดให้เขาคิดหรือทำอะไรด้วยเขาคุณไม่ได้รู้ตัวแล้วคนมองอยู่คุณทำผิดอยู่ต่อหน้าเขาแล้วเขาก็เรียนแบบคุณแค่นี้คุณก็ผิดแล้วนะคุณทำชั่วในที่สาธารณะเนะี่ยคุณต้องรับผิดชอบนะนี่คืออาล็อตต์ตัดสินอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแค่นั้นเองครับพาฝ่ายหญิงมาเข้าอิสลามนะครับแล้วก็ตักเตือนมาตลอดให้ในเรื่องของศาสนาไม่ว่าการละหมาดุมหยับ แต่แต่เขาไม่เชื่อฟังแล้วบอกด้วยว่าเขาเขาจะรับบาปนี้ไว้เองแบบนี้ต้องทําไงครับถ้าเขาออกจากศาสนาผมต้องทําไงครับผมมีความผิดไหมครับคุณก็แต่งก็ต้องอย่าครับบอกว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้มัน ม, มันผิดตั้งแต่คุณเอาเขามาเข้าโดยที่ไม่ได้ศรัทธาและ้วล่ะเขาไม่ได้คนเราไม่ได้อาแต่งงานเล้มาเข้านะต้องเข้าการเป็นศรัทธานะครั บ, รบเชื่อในอัลละฮ์นะครั บ, รบนี่คือความเข้าใจผิดว่าอาแต่งงานแล้วเป็นมุสลิมมันเป็นได้ง่ายๆขนาดนั้นเหรออิสลามนี้เป็นได้ต่อเมื่อผู้นั้นเชื่อนะครับว่าว่ามี อย่างนี้สแสดงว่าเขาไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกนะออก็ก็มันมันคุณก็รู้อยู่ว่าเป็นลักษณะไม่รู้นะว่าเราระมันลักษณะของมุนาฟิกที่คุณยอมรับอ ะ, อะหนูออกจากงานมาขายอาหารแล้วก็ช่วงนี้ค่อนข้างแย่ทุกเดือนต้องใช้เงินบัตรเครดิตมีดอกเพิ่มหมุนเวียนมีความคิดว่าจะเริ่มกลับไปทำงานแต่ทุกแต่เวลากลับไปทำงานก็คือจะละหมาดไม่ตรงเวลา อยากสอบถามว่ า, า, าระหว่างที่เราออกมาขายของละหมาดได้ตรงเวลาแต่ต้องยุ่งกับดอกเบีย้ยกลับไปทำงานเงินอาจจะพอแต่ละหมาดไม่ตรงแนะนำยังไง<ม>ทำไมมันมันมีมันมีแค่สองทางแค่นี้วะมันไม่ได้แค่สองอย่างมัน<ด>มัน ม, ม, มีกลับไปหะทำงานที่ฮาลานแล้วละหมาดได้ตรงก็มีนะเว้ยหาแบบนั้นนีมันชีวิตไม่ได้มีแค่สองอย่างนี้หรอกมันเราไม่ได้ไม่ไม อัลลอฮ์เมตตากว่านั้นเราไม่เชื่อว่ามีแค่สองอย่างให้คุณทํทาเเออออทั้งสองอย่างไม่ใช่ออเดอร์อ้นะไม่ใช่แบบเออไม่ละหมาดคือเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะบอกให้คุณเข้าใจนิดหนึง่งทั้งหมดที่เราลอบสั่งให้คุณทําเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของคุณเองไม่ใช่ของอัลลอฮ์แต่คุณเลือกจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์ปัญหาไปอย่างนี้แล้วคุณเข้าใจว่าอัลลอฮ์ได้ผลประโยชน์จากอะไรจากพวกนี้ มันเป็นเหมือนกับคุณนั่นมาแบกภาระอะไรที่ต้องทําตามเอาล่ะไม่ใช่ภาระเนี่ยที่คุณทํำแต่พวกเนี้ยมันคือทําให้ตัวคุณอะแบกของมันอยู่เหมือนบัตรเครดิตอย่างเงี้ยไปกู้ไปเอาล่ะบอกไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้ดอกไม่ให้นะั่นคุณใช้บัตรเครดิตลูดล่ดาวลู่ดาวมันก็จะเจอดอกเจอดอกเขาจะหนักขึ้นเะรื่อยๆหนักแล้วหายนะก็จะมาแล้วความปวดหัวก็จะมาสู่คุณเองถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องอย่าใช้ เก็บเล็กกินน้อยเข้าใจปะเก็บเล็กเ็กและกินน้อยๆก็ได้นะครับข้อแรกแล้วละหมาดเนี่ยมันไม่ใช่แฟกเตอร์เลยถ้าคุณบอกคุณวันหนึ่งไม่ต้องเข้าห้องน้ําได้นะคอยคุยกันว่านี้ต้องละหมาดได้เปล่าห้านาทีห้านาทีละหมาดเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะไม่ให้มันมันไม่ไม่มันไม่มีเหตุผลน่ะคุณอย่าคิดว่าคุณทําอะไรให้เอาลอดดิครับอันนี้คุณทําให้ตัวคุณเองพ้นจากไฟนรกแค่นั่นเอง แล้วก็อยู่ในสวรรค์สนุกสนานตลอดการและไม่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยมองคุณแล้วก็เอาคุณเป็นตัวอย่างในการที่ไม่ละหมาด ก, การที่ไปกินดอกเบีย้ยคุณป้องกันสังคมไม่ให้มันล้มอ่ะเป็นดมิโนโเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันไม่ใช่โอ้ทำไมมันลําบากจังไม่ใช่เลยครับมันต้องอย่าเข้าใจผิดว่าคุณทําแล้วเอาล้อจะได้ผลประโยชน์ะสิ่งที่คุณทําำ่าคุณได้ผลประโยชน์แต่ที่มันบาปเพราะคุณฝ่าฝืนฝ่าฝืนคุณกล้าฝ่าฝืนคําสัง่ง เราไม่ได้สั่งมาเพื่อให้คุณน่ะมันมีความลาบากแล้วไม่สั่งให้คุณน่ะมันมีความง่ายได้ถ้าคุณยืนหยัดแล้วมันจะมันง่ายมันจะง่ายแค่นั้นเองอืมคืออันหนึ่งนะเวลาเจอปัญหาแล้วเหมือนคนโกรกหักทีไงพอจะโว้โอหักก็ทิ้งกูละกูบอกแม่เนีมันมีผู้หญิงอีกเต็มไปหมดเลยมึงอย่าคิดเยอะเลย มันไม่ใช่มีคนนี้คนเดียวนะถ้ามันจะมันจะไม่ใช่ก็มันก็เป็นลองหันไปมองทางอื่นแล้วไปขอคนอื่นเขาแต่งงานก็ได้ไม่ต้องลํารันทุนอะไรขนาดนั้นพอมึงมีเมียคนนึ่งเมียก็มีเพิ่มเห็นคนอื่นได้อีกเยอะเลยนะพอมีเนี่ยแต่พอเขาเลิกคนนึงโอ้ร้องไห้บอกเออมันก็ปล่อยก็ดําเนินชีวิตต่อไปอ่ะเหมือนกันคุณงานของคุณเนี่ยไม่ได้มีแค่สองงานบนโลกเนี้ยลองหางานอื่นดิอย่าไปเอางานเฉพาะที่แบบ เอออยากทำแค่อันนี้ยาบางทีมันไม่ได้อยู่ในโพสิชันที่จะมาเอาความพอใจแล้วบางทีเอาตัวรอดก็หางานที่มันทล้านอันอื่งทําก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆสเต็ปกันใหม่เขก็ตั้งหลักแล้วก็ทําอย่างอื่นกนก่อนแต่ไม่ใช่จะเอาสิ่งที่เราถนัดอย่างเดียวแล้วก็มีแค่สองอย่างอันนี้กันนรกอันนี้กันนรกเอาไหนอันนรกมากกว่าน้อยกว่าไม่มีใครอยากากันนรกแม้แต่เสี้ยวเดียวไม่มีไม่มีใครเอานะครับแต่แต่อันนึงอ่ะถ้าเวลาเราเรารู้สึกนะบางที เรารู้สึกว่าเจอทางตันไอ้นี่กัตันไอ้นี่กับตันไอ้นี่ก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดเนี่ยคือเริ่มด้วยการขอดูอาก่อนว่าขอให้เราเปิดหนทางที่เที่ยงตรงแล้วก็ด้วยความราบรื่นง่ายดายแล้วก็แล้วแล้วเราก็ตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยพยายามที่จะทําให้ถูกต้องนะไม่มีทางที่เราจะไม่ให้นะครับอัลลอฮุอะลามอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาคำถามนี้แล้วกันเอ า, เ, อาเมื่อโดนอาธรรมอดทนแล้วหลังน้ำตาก็แล้วทำอะไรได้บ้างาก็ขอดูอาดูอานะครับดูอาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำก่อนอ น, น ะ, อ ะ, อะเออเออไอ้นี่พูดพอเหมือน เ, เป็นเรื่องที่ต้องทำก่อนเพราะมันมีน้ำหนักที่สุดอะเข้าใจว่คือเมื่อกี้เราพูดถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างเนี่ยเราบอกให้พระองค์ช่วยก่อนอะแล้วเรา ค่อยพยายามต่อไม่ใช่แบบโอ้ทำจนหมดทุกทุกทางแล้วเดี๋ยวขอให้ล้อช่วยดีกว่าเราทำไม่ได้แล้วขอให้เราขอให้ล้อช่วยก่อนใช่ป่ะคือคือมันเหมือนแบบพูดไงดีวะเหมือนแบบเรามีรถยนต์ดีๆสักคันหนึ่งอะเราเราอยากจะไปทำงานใช่ป่ะเราก็ขับรถไปอะ กับการที่เราจะเดินไปเนี่ยคุณจะเอาอะไรอะ่ะคือคื อ, ค, อความพยายามของเรามันเหมือนเราเดินไปแหละแต่แต่แล้อให้ล็อกยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะเลาอะเราจะให้โดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูอาต้องมาก่อนนะครับ <คน S 1> เออคนขอดูอาหลังเท่าไหร่หรือ่าเพาไม่เชื่อล้อเต็มทีเออผมจะบอกให้เลยคนที่ขอดูทําอย่างอื่นก่อนแล้วไม่ค่อยมดขอดูอาหมดแล้วไม่มีทางออกแล้วเป็นคนที่เอาเราไว้สุดท้ายบอกว่า กูไม่ได้เชื่อ a l l a เท่าไหร่หรอกกูเชื่อในตัวกูเองมากกว่าแปลว่าไม่ได้เชื่อ Allah มองอยู่ไม่ได้เชื่ออ l l a ล Allah หัวอัคบะอ l l a h ยิ่งใหญ่สุดมีความสามารถและเป็นผู้กําหนดทุกอย่างไม่ได้เชื่อฉะนั้นพิจรารณา ด, ดีนะเวลาคนทําทุกอย่างก่อนก่อนขอ doar เนนะี่ยเราควรจะนึกถึงผู้สร้างก่อนผู้ที่มีอานาจที่จะบอกอะไรให้เป็นแล้วก็เป็น be and it is Allah บอก โซ so, มีปัญหาเลยคุณต้องเอาเราคำมันเกิดเรื hmm. ่องนี้ครับช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยแล้วครับช่วยนําทางให้ด้วยแล้วค่อยทำเอาเราจะนําทางเพราะเราเชื่อแล้วขอคำเชื่อเราก่อนเพราะเราเราเราู้แล้วมองตลอดเวลาแล้วเรารู้ว่าพระองค์ฟังแล้วสามารถที่ให้เป็นอะไรเป็นไป ก, ก็ได้แต่คนที่เอาเราไว้ที่หลังกันบอกสถานะของอิมานของคุณเพราะว่าความศรัทธางคุณมันไม่มีในในการมีของพระองค์เลยคุณเห็นความจริงก็คือตัวคุณกับตาที่เห็นบนโลกนี้ สำหรับคุณเอาล้อไม่ใช่เป็นความจริงถ้าคุณคือที่เราล้อไม่ใช่ความจริงเาลาก็จะไม่ช่วยเพราะคุณไม่ได้คิดเราเป็นความจริงเหมือ น, อนผมผมคิดตัวอย่างออกแล้วเราเดินไปเจอวังกษัตริย์แล้วก็อยากจะขอความช่วยเหลือเนะี่ยเห็นกษัตริย์นั่งอยู่ข้างในแล้วก็ยามอยู่ข้างนอกเนะี่ยคุณจะขอใครวะ คือจะขอให้ยามช่วยหรือไปขอให้กษัตริย์ช่วยนะครับมันมันถ้าถ้าเรารู้ว่ากษัตริย์เป็นกษัตริย์เราก็ไปคงไปขอให้ผู้ที่มีอำนาจมากกว่าช่วยความตา ย, ยาแต่ละคนจะเริ่มตอนไหนครับตอนหมดลมหายใจนะครับความตายตอนลมบนลมหายใจอครั บ, รบตอนวิญญาณออกจากล่างอ่าวิญญาณออกจากล่างก็หมดลมหายใจวิญญาณออกจากร่างบางคนวิญญาณยังอยู่ในออกมาจากล่างแล้วยังหายใจอยู่นะ ยา น, นา อ, อ่อนจากล่างเหรอก็ใส่เครื่องหัวใจแต่ว่ามีอะไรไม่มีอะ ไ, ไรแล้วอ่ะไปแล้วอ่ะร่างกายแม่งยังไงเนะเหมือนวัวนะที่เราอที่ที่เชื่อ่อะวิญญาณอ่อนจากตั้งอ่ะโอเคพฤติกรรมและการกระทําของเราเนี่ยเราทําเหมือนที่ท่านอบีทําแต่เราไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นแบบอย่า ง, งท่านอบีเนี่ยเราจะได้ผลบุญส่วนนั้นไหมครับไม่ได้ดิครับเราไม่รู้นับี๊ยทำแล้วเราทําเราคิดว่ามันต้องให้ให้รู้ว่านัะเเจตนาอืม เจตนา่คือเราทําตามนาบีอ่าถึงจะถึงจะได้เรียกว่าเป็นสุนนะบางทีเราผู้ที่ไม่ได้รู้จักอิสลามเนี่ยมีหลายอย่างเขาก็ทำความดีเหมือนที่ท่านนาบีทําอ่เขาไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ทําด้วยความตั้งใจแล้ะความศรัทธานะครับไม่มีเงินซื้อบ้านจะสามารถหาสถาบัานการเงินที่ไหนทีม่มีดอกเบีย้ยได้บ้างก็ลองไปติดต่อธนาคารอิสลามดูนะครับเขามีเขามีโปรแกรมที่ถูกต้องตามหลัก การอิสลามนะครับคุตูบาวันศุกร์ต่อไปอาทิตย์ที่แล้วนะเปล่าบอกบอกว่าต้องยกมือขึ้นขอดูอาไหมเวลาที่อิหมัมดูอา ก, ก็คุณโตตอบไปแล้วนะครับก็คือซอฟบาร์มีรายงานว่าอารมีนอารมีนแต่ไม่ต้องยกมือขึ้นขอดูอาน ะ, ะถ้าอิสลามห้ามฟังดนตรีแล้วก็เสียงคล้ายๆดนตรีเช่นการทุบโต๊ะหรือแทนเสียงกลองจะได้ไหมครับ ได้ไหมครับไม่ได้ครั บ, รบเป็นแบบ็คเกิลดนตรีไม่ได้ครับครับมันจะชีวิตมันมีความสุขมากเลรอฮะ <laughs> คือ <laughs> ทุกโตเคาะขวดเนี้ยติ้งติ้งติ้งติงติ ง, ต ง, ต ง, ต ง, ตงมันเหมือนคนเมาอ่ะอย่าอย่าเบ๊คือผมว่าการที่เราทําอะไรขนองขนองหรือคือขนองในที่สาธารณ ะ, ะเนี่ยเราทําให้คนขาดสติเนี่ยมั น, นไม่ควรจะทํา เพราะการไล่สาระเนี่ไม่ใช่แค่ดนตรีนะการทำไล่เรื่องไล่สาระก็ไม่ไม่เป็นสิ่งต้องห้ามเหมือนกันนะครับเช่นแค่เวลาไปเที่ยวเนี่ยกับครอบครัวอะไรก็ไรเนี่ยไปดูชมธรรมชาติเลยไม่ต้องมีเสียงด้วนะผมโคตรลาคาญเวลาคนไปทมธรรมชาติแล้วเคาะขวดเบียร์ขวดเหล้าแล้วก็ติ้งติ้งติงติ้งติงแล้วเล่นกีตาร์ทำไมวะคือบมบึ้ออกมาที่ที่เหล่านี้แล้วอยากเงียบฟังน้ํามันไหลหรือฟังฟังต้นไม้มันแล้วก็แบบเงียบๆนั่งแบบสบายๆเงียบๆฟังธรรมชาติไม่ดีกว่าหรอ ทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นนะมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่เข้าใจอ่ะคือก็ไปฟังในรถหรือในฟังในบ้านตัวเองก็ไม่ต้องออกมาก็ได้ถ้ามันต้องต้องเอาเพลงมากขนาดนั้นน่ะตั้งแต่ไหนตั้งไรนะคือผมไปตั้งแต่ตังไหนผมที่ตอนต่อให้ผมปเป็นนักล่องอะไรเวลาผมไปข้างนอกหรือไปธรรมชา ต, ติผมไม่ชอบให้มีเสียงนะชอบฟังเสียงคลื่นเสียงน้ําเสียงนกเงียบๆผมจะไม่ค่อยคุยกับใครไม่คุยกับพาแฟนผมไปผมก็ไม่คุยนั่งอย่างนั้นน่ะ ฟังอะไรไปเรื่อยๆเวลาแฟนพูดก็เี๋ยวตอนตอนนี้ที่อยู่บ้านเนี่ยคุยกับใคระไปบ้านไม่ธรรมชาติไงบ่านไม่ธรรมชาติแล้วออกไปข้างนอกเนี่ยเวลาจะเขาไปสังสรรค์ไปสนุกมันมีสนุกหลายวิธีที่ผมพูดเนี่ยเวลาผมไปน้นเมื่อก่อนผมไปนะ้ธรรมชาติไปถึงผมนอนหลับ ผมโดนแม่ด่ามาแล้วมันนอนก็มันโอโซนอะโอโซนก็ต <originally language> ้องนอนมารับยาแลยเขาปาร์ตี้เสร็จกูตื่นแล้วกูกลับบ้านแค่นี้ก็มีความสุขได้นะฮะสุขที่ได้นอนอร่อยผมผมเคยโดนน้องน้องคุณว่าไปจำได้เอาไปต่างจังหวัดไปเขื่อนหรืออะไรไม่รู้ขึ้นเรือแล้วผมก็นอนไงคือแบบกู้ง่วง บอกมาไหมวะ<笑><笑>มาไหมเนี่ยเด้ออ่านกุณอ่านให้กับคนตายได้ไหมครับเขาจะสามารถรับรู้ได้ไหมไม่รู้เหมือ น, นกันครับขออุทานะครับขอดุทาให้เขาขอเลาะให้เขามีชีวิตในบรรสักที่ดีนะอันเนี้ยขอได้ก็ทําตาม ควรจะรับมือการโดนกระสิบกระซาบยังไงครับจากมารอาูซูบินลาขอปกป้องจากจากชัยตอนเนี่ยเอาซูบิลลาใหมีนัชชัยตอนในโรจีเวลาเราของวปกป้องจากันล่อให้ป้องกันจากชัยตอนเนี่ยหลังนั้นน่ะเวลาผมนะอ่านออันนาสเพราะว่ามันดอ่านคุรุลลอฮฺวะนัดอัลอัลคุรุลลุสปานักแล้วก็อันนาสนะครับแล้วมันก็จะไปอินชอลล์นะครับครับสี่ทุ่มครึ่งแล้วครับ เอาอะจะจะต่อไหมหรือว่าจบแล้วโอเคโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวฝากรายการฟึบติดตามชมรายการโตตานไลฟ์ทอล์ทุกคืนวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลาสามทุ่มเป็นต้นไปผ่าน Facebook รายการโตตานและติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook รายการโตตานหรือ YouTube รายการโตตานนะครับ ต้างสามารถรับชมคลิปไฮไลท์ของรายการผ่าน i n s t ต g r a m นะครับโดยพิมพ์คาค้นหาคำว่ารายการโตรตานนะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับก็อินชอลล์ล้อที่หน้าเจอกันใหม่เวลาประมาณสมทุ่มนะครับอินชอลล์ถ้ามีเรื่องสนุกสนุกที่ทำให้เรามีหมานเพิ่มถ้าผมเจออินชอลล์ล้อก็จะมาเล่ากันฟังกันต้นรายการใหม่แล้วกันครับอินชอลลสำหรับวันนี้ผมละตานลาเพียงแค่นี้ขอ บ, บิณให้ตฟีกว่าทีไดะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.